วันนี้เดี๋ยวมาสนทนาธรรมะกันต่อปัญหาที่จะสนทนากันในวันนี้ก็วันก่อนได้ติดค้างโยมพี่หญิงใหญ่เขาไว้เรื่องตันหาพูดเรื่องตันหาที่จริงเมื่อคืนก็พูดไปแล้วเรื่องสภาพของตันหากับคําว่าชันทะ คือพระพุทธศาสนาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ละตัณหาไม่ให้มีความอยากเมื่อคนไม่อยากได้ไม่อยากกล่ารวยจะได้พัฒนาชาติได้ยังจะก็จะได้แต่ว่าวงคนก็ไปติดกันในคำ ว, ว่าตัณหาไอ้ความอยากนี่แหละพอบอกว่าอุ้ยถ้าเกิดความอยากขึ้นมา้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ ด, ไไ ด, ไไ ด, ไได้เป็นตัณหาใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นปัญหากันตรงนี้ขึ้นมาเนี่ย ทีนี้นิพพานเนี่ยเป็นจุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนาถ้าบอกว่าเราอยากจากบรรลุพระนิพพานในความอยากจะบรรลุพระนิพพานาเนี่ยเป็นตัณหาไ ห, ไหมเป็นไม่เป็นเขาบอกว่าเอ๊ะการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุพระนิพพานเนี่ย แต่ผู้ปฏิบัติทำอยากในนิพพานไม่ได้เขาวางเงันเนอะเพราะอะไรเพราะถ้าอยากได้ก็กลายเป็นตัณหากลายเป็นปฏิบัติผิดเมื่อไม่อยากได้แล้วจะปฏิบัติอย่างไรเนี่ยคำสอนของพระเจ้าจ ะ, จะขัดแย้งกันหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมเป็นการทําในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ใช่หรือไม่อย่างนี้เป็นต้นนะเนอสรุปแล้วเนี่ยเราอยากไปนิพพานเนี่ยอยากจะพ้นทุกข์เป็นตัณหาหรือไม่เป็น ใครว่าเป็นยกมือทีเป็นไหมอยากไปนิพพานเนี่ยเป็นตัณหาไหมอ้าวเป็นอีกอา้าวอยากได้อยากได้การยอมรับนับถือเป็นตัณหาไหมเป็นอีกโอ้นี่ชัดเลยอยากไปดูหนังดูละครโอหเป็นอยู่แล้วเนี่ยยสรุปแล้วเนี่ยเราจะอยากกันไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยอยากกินข้าวอ้าวเป็นตัณหาก็อีก อยากจะไปนอนโอ้โ oh, ห <c oughs> เป็นเลยน ะ, อ, ะอยากจะเรียนหนังสือศึกษาธรรมะ เ, เป็นตัณหาสรุปแล้วเอา้าตัณหาเป็นเป็นพาเวตประธรรมหรือเป็นปหาตประธรรมหรือเป็นสัชสัชิกาตประธรรมหรือเป็นพาตัณหาเป็นเป็นอะไรในในอริยศาส์เนี่ย โทกัสัจจานี่เป็นอะไรนะเป็นปริญญาธรรมใช่ไหมธรรมที่ควรกําหนดรู้ทุกัสัจจานเป็นธรรมที่ควรรอบรู้ควรกําหนดรู้ตัณหาเป็นเป็นสมุทยัยเป็นปะหาตปรธรรมเป็นธรรมที่ควรละควรประหารควรกําจัดควรทําให้หมดสิ้นไปจริงไหมจริงจริงเลยนะโหชัดถ้อยชัดคําแล้วนิพพานละ่ะนิโรธละ่ะนิพพานละ่ะ เป็นสัจชิกาตประธรรมเป็นธรรมที่ควรรู้ถึงบรรลุถึงควรทำให้ประจักษ์แจ้งจริงไหมแล้วมรรคสัจจะเป็นภาเวตปธรรมเป็นธรรมที่ควรเจริญควรทำอบรมควรทำให้เกิดให้มีขึ้นสรุปแล้วในอริยสัจเนี่ยตัณหาเป็นเป็นสมุทยัยควรควรละควรประหารเอาอะไรไปละ วิธีละตัญหาก็าทำยังไงเอาที่ผ่านมาเอาพวกเราที่ผ่านมาเวลาเกิดตัญหาขึ้นมาเนี่ยเราทำยังไงเคยเคยได้เคยได้ยินไหมว่าในชีวิตของพวกเราเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเราบอกว่า ในความเป็นจริงของพวกเราเราก็จะมีว่าเนี่ยไม่รู้จะละยังไงเวลากโกรธเอ้ยหงุดหงิดเอ้ยเครียดขึ้นมาใช่ไหมเกิดความทุกความเดือดร้อนขึ้นมาเนี่ยจะละยังไงเนี่ยช่วยสอนวิธีลล่หน่อยให้เราจะไปกั น, นจริ ง, รงๆไม่จริงพอเกิดความเครียดความกัดกลุ่มขึ้นมาเกิดความทุกความไม่สบายใจขึ้นมาเกิดความเครียดแค้นชิงชังขึ้นมาเกิคดความเศร้าหมองขึ้นมาเนี่ย ไม่รู้ยอมจะละยังไงฉันจะละยังไงใช่ไหมเอาทีนี้พวกเราเรียงลำดับอริยสัจกันไม่ค่อยชัดเนี่ยฉันว่าทุกขศาสัจเนี่ ย, ศาศายอันนี้คือตัวปัญหาใช่ไหมอันเดียวกันไหมปัญหากับทุกเนี่ยอันเดียวกันไหมอันเดียวกันใช่ไหมเกิดไอ้ทุกขศาสัจไอตัวความจริงของ แล้วจริงๆโดยสรุปลงไปแล้วเนี่ยไอ้ตัวทุกข์ที่แท้จริงมันได้แก่อะไรอะไรคือทุกข์อะไรคือตัวปัญหากันแน่อะไรคือตัวปัญหาอะไรคือตัวทุกข์เวลาเราสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยเราถ้าตามกรรมกสวดมนต์ไหว้พระกาบอกว่ า, า, าบอกทุกขสัจจาคืออะไรว่าโดยยอ่อ อุ ป, ปาทานขันทั้งห้าเป็นแล้วสวดกันอย่างนั้นใช่ไหมแล้วเรารู้ไหมไอ้คำว่าอุ ป, ปาทานขันห้าเป็นตัวทุกมันได้แก่อะไรขันห้ามันอยู่นอกตัวเราเปล่ามันอยู่ตรงไหนขันห้านี่เป็นรูปธรรมหรือเ ป, ป็นนามธรรมขันห้านี่เป็นรูปธรรมหรือเ ป, ป็นนามธรรมแล้วไอ้ที่มันเป็นทุกมากที่สุดเนี่ยในส่วนของรูปธรรมหรือเ ป, ป็นนามธรรม จริงเป็นทั้งคู่เลยเป็นทั้งคู่นะไอ้นี่ไอ้ทุกทุกของธรรมชาติเนี่ยโดยธรรมชาติก้อนขันห้าเนี่ยมันเป็นตัวทุกอยู่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ขันห้าไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจตานี่เป็นส่วนของรู ป, ปขันหรือน้ำขันตานี่เป็นรูปหรือเป็นน้ำ หมอตอบตานี่เป็นรูปหรือเป็นน้ำหูนี่เป็นรูปหรือเป็นน้ำจมูกนี่เป็นรูปหรือเป็นน้เลิ้นนี่เป็นรูปหรือเป็นน้ำกายนี่เป็นรูปหรือเป็นน้ำใจนี่เป็นรูปหรือเป็นน้ำเป็นนาำนะใจที่เป็นน้ำมาทำจะเป็นความคิดความคิดที่เป็นน้ำมาทํำไหม สีนี่เป็นรูปหรือเป็นน้ำเสียงนี่เป็นรูปหรือเป็นน้ำกลิ่นนี่เป็นรูปหรือเป็นน้ำรสเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นรูปหรือเป็นน้ำเย็นร้อนนี่เป็นรูปหรือเป็นน้ำเรอเราก็เราก็รู้กันพอสมควรเนี่ยเนี่ยใช่ไหมฮะอ๋ออ๋อพอใช้ได้พอใช้ได้ โอ้ยคข่งชั่วนหน่อยสรบปลักที่บอกขันห้าเป็นตัวทกเนี่ยมันทกมันทกตามธรรมชาติเ้ามันหรือว่าเป็นทกเพราะใจเราไปเดือดร้อนถ้าเราไม่เดือดร้อนเนี่ยมันเป็นทกไหม <c oughs> อย่าปิดตรงนี้ก่อเริ่มร้อนแล้ว <c oughs> จริงเออันนี้ยผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตาปอดเนี่ยไส้ใหญ่ไส้น้อยหันใหม่หันเก่ามันสมองนี่ส่วนของรูปธรรมเนี่ยจริงจงในตัวงมันเองเป็นทุกข์ไหมมันเป็นทุกข์มันอยู่ไหมมันเป็นยังไงที่เราเรียกมันเป็นทุกข์ <c oughs> ผมมันเป็นทุกข์ตรงไหน ถ้ายังไม่งอกเป็นทุกไหมเพราะ <laughs> ผมนี่เป็นทุกในตัวมันเองเยอะเลย ม, เมันเป็นยังไงอาการทุกของผมอะ่ะถ้าเราใจเราไม่เป็นทุกเนี่ยผมมันทุกในตัวมันเองมันเป็นทุกอยู่ไหม เรารู้ได้ยังไงว่าผมมันเป็นทุกข์เอามันเป็นมันเป็นทุกข์ยังไงที่เราถ้าเราไม่ไปทุกข์กับมันไม่ไปเครียดกับมันไม่ไปกุ้มกับมันเนี่ยสภาวะของมันเองมันเป็นทุกข์ในตัวมันเองไหมเป็นไม่เป็นอ๋อเป็นเลยขนล่ะมันเป็นทุกข์มันเองไหม อาการอย่างไรสภาวะแบบไหนที่บ่งบอกว่ามันกำลังเป็นทุกข์ เห็นไ้ว่าในตัวของผมและขนมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะมันเกิดดับสืบต่อตลอดเวลาไหมเออแล้วมันเป็นอัตราตัวตนไหมเราสามารถไปคนบคุมบังคับมันได้ไหมมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเองใช่ไหม แสดงให้เห็นชัดว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองสภาวะของรูปธรรมเนี่ยมันเป็นทุกในตัวมันเองอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่มันมามีผลกระทบต่อจิตใจเราก็เพราะว่าเนี่ย เมื่อเราไปปรารถนาอยากให้มันเป็นอย่างไรมันไม่เป็นตามใจที่เราต้องการเราก็เลยไปเครียดไปกุ้มมันเลยทุกก์กยกกาลังสองใช่ไหมทุกยกกําลังสองไหมหนึ่งสภาวะของมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วใจเรายังไปขัดแย้งกับความจริงไปขัดแย้งกับความเป็นจริงของมันด้วยไม่มองเห็นโลกและชีวิตตามที่มันเป็นด้วยเราก็เลยไปขัดแยง้งมันก็เลยดึงทกของธรรมชาติมาเป็นทกใจของเราอีกทีหนึ่ง มองเห็นนี่ยังหมอแล้วมอเห็นนี่ยังสรุปแล้วว่าผมขนเป็นต้นเหล่านี้มันก็เป็นทุกข์ในตัวมันเองมันเกิดดับสืบต่อเป็นอนิจจังกดดันขัดแย้งบีบคั้นมันทนอยู่ในสภาวะเดิมของมันไม่ได้เรียกเป็นทุกข์และมันเองก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ได้เป็นไปตามความปรารถนาหรือไม่ปรารถนาของใครเลยมันขึ้นเหตุตามเหตุปัจจัยมันจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนใดๆเลย นี่คือความทุกข์นี่คือทุกข์ขั์นี่เป็นความจริงใช่ไหมแต่มันจะมีปัญหามากก็ต่อเมื่อเราดึงเอาทุกข์ธรรมชาติมาเป็นทุกข์ในใจของคนนี่แหละมันเลยเป็นการเป็นทุกข์ยกกําลังสองเลยแต่เนี้ยหนึ่งสภาวะมันก็เป็นทุกข์บ่งบอกตัวมันเองอยู่แล้วแต่ใจเราก็ไปดึงเข้ามาอีกเอามาเป็นใส่ไว้ในใจแล้วก็เป็นทุกข์โอ้โหผมเราเริ่มแย่แล้ว แท้ที่จริงมันทุกทุกขณะมันทุกขณะเลยนะผมเนี่ยวินาทีหนึ่งเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่รู้เท่าไหรนะ่ในในผมในขนในเล็บในฟันเนี่ยแต่เราไม่เคยเห็นความจริงตรงนั้นเนี่ยพอมาเห็นอีกทีมันงอกแล้วนะตกใจเลยเดี๋ยวนี้รลยกายไปดึงเอาทุกธรรมชาติมาเป็นทุกในใจคนยอมผู้หยมผู้หญิงใหญ่เริ่มเห็นนี่ยัง เห็นไหมจริงๆแล้วมันเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาไหมนี่เรียกทุกข์ของธรรมชาติทุกข์ของความเป็นจริงมันเป็นมันอยู่อย่างนี้อ่ะทีนี้คือตัวปัญหาใช่ไหมใช่ปัญหาไหมทุกข์เนี่ยที่ประเด็นมันคือว่าทุกข์เนี่ยควรควรอะไรควรกําหนดรู้ควรรู้ให้ชัดไหม ควรกหนดรู้จับตัวมันให้ได้มันมันแค่ไหนอย่างไรขอบเขตมันแค่ไหนอย่างไรกระบวนการมันเป็นอย่างไรเราก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงที่มันเป็นอย่างนั้นเอาอะไรเข้าไปรู้เวลาเราเจอทุกเจอปัญหาเนี่ยโดยมากเราเอาใจเข้าไปรับหรือเอาปัญญาเข้าไปรู้ที่มันถึงทุกเ์ไมันถึงทุกทุกวันนี้มันถึงกดดันขัดแย้งทุกวันเนี่ยพอเจอปัญหาเจออุปสรรคทีไรปุ๊บ เราก็เอาใจเข้าไปรับเอายกตัวอย่างเช่นพอแม่ป่วยอาการของแม่กระแสะชีวิตของแม่เนี่ยเริ่มสุดลงแย่ลงอาการของพ่อสุดลงแย่ลงอาการของคนที่เรารู้จักสุดลงแย่ลงเนี่ยอันนั้นมันเป็นความจริงมันเป็นมันเป็นอาการของทุกข์ที่มันกําลังแสดงตัวตนของมันออกมาหเห็นใช่ไหม มันเป็นกฎความจริงไหมมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมมันมันก็เป็นข้างวันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแต่มันมาเป็นปัญหาตรงที่แล้วเป็นแม่ร้องแต่เมื่อไหร่ <Wow. S 1> เป็นแม่ร้องแต่เมื่อไหร่ เพราะอะไรเพราะอะไรเราถึงเป็นแม่เพราะอะไรเราเราเขาจึงเป็นแม่เราเพราะเราเพราะเราอาศัยท้องเขาเกิดใช่ไหมแล้วพญาติที่อาศัยท้องแม่เกิดเนี่ยพญาติตัวนั้นเป็นลูกของแม่เราด้วยปะไม่พญาติที่อยู่ในท้องแม่เป็นลูกของแม่ด้วยปะมีชีวิตไหม อ่าทำไมไม่เรียกลูกอะเราอ๋อในไข่มีพยาธิก็มี <c oughs> <c oughs> หมอตอบไม่ได้อีกทำไมไม่เรียกว่าลูกอ่ะ <c oughs> ใช่มเนยสมมุติเนี่ยมีมีอิทธิพลมากมีอิทธิพลมาก เหมือนก็บอกว่าเหมือนว่าหมอเป็นภรรยาของสามีอ่ะเป็นมากี่ปีแล้วเป็นมาสองปีแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้เป็นใช่ไหมมาเป็นตรงที่ว่าเป็นเพราะไปจดทะเบียนสมรสหรือเปล่าหรือไม่เกี่ยวอ๋อถ้าไม่จดไม่เรียกใช่ไหมบางคนก็ไม่จดเลยยอมพ่อยอมแม่มาไม่เห็นจดกันเลยก็ยังเรียกสามีภรรยากันเลย มันเป็นเรื่องการตกลงร่วมกันเป็นข้อตกลงเป็นสมมุติให้คนอื่นรับรองแล้วเรารับรองถ้าคนอื่นเขารับรองแต่เราไม่รับรองมันก็ไม่เป็นอยู่ดีใช่ไหมละ่ะนี่เรื่องสมมุติแต่สมมุติมันต้องปฏิบัติกันจริงๆนะไม่ใช่ว่าไปเข้าใจว่ามันไม่มีเขาอีกยุ่งอีกเลยนะเดี๋ยนะีมันกลายเป็นในสภัทิกะเวกานาติกาวาท่าเขาอีกเห็นว่ามันไม่มีอยู่จริงหรอก มันก็คือดินน้ำไปลมเท่านั้นแหละมันไม่มีบาปมีบุญไปใหญ่เลยนะแต่เนี้นี่ยัเป็นเรื่องเลยนะี่จริงๆสมมุติก็ให้อยู่ในขั้นตอนของสมมุติก็ต้องฉลาดกับมันใช่ไหมล่ะแต่มันไม่ใช่ความจริงนะแต่เป็นสมมตุติเป็นข้อตกลงร่วมกันเป็นกติกา ร, ร่วมกันที่เราจะต้องปฏิบัติต่อการอย่างไรให้ถูกต้องดีงามยังไงก็ว่ากันไปเอา้าเข้ามาเรื่องทุกข์สัตว์ใหม่เรื่องปัญหาใหม่เนี้ยวนเดี๋ยวมันจะเลยเถิดไปทุกเนี่ย หรือตัวปัญหาเนี่ยมันมาเป็นปัญหาต่อเมื่อใจของเราเนี่ยใช่ไมไปดึงเอาทุกข์ของธรรมชาติไปดูดเอาทุกข์ของธรรมชาติมาไว้ในใจของคนเอาไว้ในใจของเราแล้วก็มาปรงแต่งมันเลยกลายเป็นทุกข์ใช่ไหมและให้สังเกตดูนะว่าการปรงแต่งเนี่ยของเราเนี่ยให้มันมีความให้เป็นความทุกข์ใจเนี่ยมันเป็นความสามารถขอ ง, hm? ของพวกเราล้วนๆเลยนะ แล้วคนที่มีความสามารถปรุงแต่งทุกข์ได้มากก็จะมีความทุกข์ที่มากมากกว่าคนอื่นโดยแต่ทุกข์ธรรมชาติมันเคยลดลงไหมมันก็เป็นของมันอยู่มันก็ทุกข์ของมันอยู่มันก็เบียดเบียนบีบคั้นมันก็ขัดแยง้งขัดแย้งตัวมันเองอยู่ตลอดเวลาเลยแต่เวลาใจเราเข้าไปรับรู้ทุกข์นั้นมาเนี่ยมันก็รู้ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงอีกปริมาณแห่งการไปดึงหรือไปรับรู้ทุกข์เหล่านั้น พอรับมาแล้วเนี่ยแล้วก็มาปรุงแต่งใจให้เราเป็นทุกข์ปรุงแต่งใจปรุงแต่งความเครียดความกัดกลุ่มความวิตกกังวลเนี่ยมันปรุงแต่งมันเลยไม่อยู่กับความเป็นจริงอะไรเลย <c oughs> ไม่ได้อยู่ตามความเป็นจริงไม่ได้รู้อะไรตามความเป็นจริงเลยเนะี่ยสภาพใจที่เขาไปรับเนี่ยก็ไปปรุงแต่งยกตัวอย่างเช่นไปเห็นเขาทรมานครั้งเดียวเนี่ยเราก็มาปรุงแต่งความทรมานในใจเราอีกเยอะ แล้วก็คิดไปต่างๆนาน า, นาทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตปุงแต่งมั่วไปหมดเลยแต่เนี้ยมันกลายเป็นความทุกข์ที่มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนจนการแก้ไขที่ยากเย็นที่สุดเพราะอะไรเพราะเราเอาใจของเราไปรับรู้ทุกข์ซึ่งมันถูกต้องไหมโดยข้อเท็จจริงจริงๆแล้วควรเอาอะไรไปรู้ต้องเอาปัญญาปัญญาระดับไหน พระพาบอกให้ทําปริญญาใช่ไหมปริญญาธรรมเนี่ยทุกเนี่ยต้องทําปริญญาก็คือใช้ปัญญาที่เขาไปรอบรู้ไปกําหนดรู้ไปทีนี้คําว่าไปรอบรู้ไปกําหนดรู้ทั้นทุกเลยกลายเป็นเรื่องของปัญญาแต่คนส่วนใหญ่เขาใจเขาไปรู้พอใจเขาไปรู้เขามาปรุงแต่งต่อพอปรุงแต่งต่อมันก็ไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงไม่ได้อยู่กับข้อเท็จจริงใดๆแล้วก็ปรุงแต่งทุก เพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองคนส่วนใหญ่ก็เลยเป็นคนที่มีความสามารถในการปรุงแต่งทุกข์ได้เก่งมากและคิดได้เยอะด้วยเราเป็นอย่างนั้นมาไหมสรุปแล้วเราทํากิดต่อทุกข์ผิดหรือถูกนั้นถ้าหากเจอทุกข์เจอปัญหาหรือต้องการจะไปกําหนดรอบรู้ทุกข์เนี่ยเขาใช้อะไรเข้าไปรู้ใช้ปัญญาทีนี้ใช้ปัญญาอย่างไร อันนี้เป็นวิธีการและเป็นเป็นวิธีการเวลายละเอียดที่ต้องใช้ปัญญาเข้าไปกำหนดรู้เนี่ยเขาบอกใช้ปัญญาไปกำหนดไปรอบรู้ในสิ่งที่ทุกที่มันกำลังดำเนินหรือเป็นไปอยู่ใช่มแต่จริงๆแล้วถ้าพูดให้มันชัดลงไปเลยนะเราไม่ต้องไปทำอะไรมันเพียงให้รู้ว่าทุกนี่ควรกำหนดรู้ควรรอบรู้จับตัวมันเองให้ได้แค่นี้เอง ยังไม่ต้องทําอะไรมันก่อนเข้าใจยังการศึกษาเริยสัตว์เนี่ยอย่าเพิ่งไปรอบอย่าเพิ่งไปใส่ใจอะไรเพียงให้รู้เพียงแค่นี้ก่อนนี่นี่รู้ในเริยงสัตวีในระดับนี้ก่อนนะเอาข้อที่สองสมูทยัยคืออะไรสภาวะของเขาคือได้แก่ตัณหาใช่ไหมตัณหาแปลว่าอะไรตัณหามีสามประเภทที่เราสวดกันในธรรมจักเมื่อคือนเนี่ย การมาพัฒนาภาวตันห า, ว, า, นหาวิภาวะตันหากามตันหาแปลว่าความอยากความติดใจความร่านลนในสีเสียงกินรสโผฏฐพะอันน่าปราถนาน่าใคร่น่าพอใจใช่ไหมนี่ก็ทยานอยากในกามาคุณให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปคืออยากได้เอามาตอบสนองเอามาเบล์บำรุงบำเรลตาหัวใจบุกลิ้นกายนั่นเองนี่ก็การมาตันหาใช่ไหะคือความอยากมีไหมเรามีความอยากความต้องการแบบนี้ไหม อยากได้รถสวยๆอยากได้ของใช้างาๆอะไรก็ว่ากันไปภวะตัณหามีไหมเป็นยังไงครําว่าภาวะตัณหาเนี่ยใครอยากให้อัตภาพร่างกายของตนเองเนี่ยมันเที่ยงแท้แน่นอนไม่ไม่ต้องการให้มันเปลี่ยนอยากให้มันคงรูปอยู่อย่างเนี้ยอยากไหม ทำไมอยากให้ร่างกายอยู่อย่างนี้ตลอดไหมหรืออยากให้มันผอมกว่านี้หน่อยเออมันยังไม่ต้องการเจอมั้ยล่ะถ้าถ้าภาวะตัณหาเนี่ยก็แปลว่าอยากให้มันมั่นคงเช่นถ้าใครรักเราก็อยากให้เขารักเราลตลอดไปไม่อยากให้เขาเปลี่ยนแปลงถ้าใครปฏิบัติ ด, ดีกับเราก็อยากให้เขาปฏิบัติดีอย่างนั้นตลอดไปไม่อยากให้เปลี่ยนแปลง ยอยากให้สิ่งดีๆทั้งหลายมันคงอยู่ถาวร อ, อยู่มันมั่นคงอยู่ไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงนี่เ็าเรียกภวะตัณหามีไหมตัณหาประเภทนี้อยากให้ผมดำสนิทอยู่อย่างเงี้ยไม่อยากให้งอกแต่เอาไม่ทันแล้วมันงอกแล้วงอกไปซะแล้วเอาถึงมันงอกไปแล้วก็อย่าให้งอกมากไปกว่านี้อยากให้มันคงทนอยู่อย่างเงี้ย เห็นไหมเพราะว่าตัณหาเนี่ยมันฝืนมันมีความต้องการที่จะฝืนความเป็นจริงของโลกจริงๆนะฝืนความเป็นจริงของชีวิตนะแต่ไม่มีถามว่าไม่มีตัณหาใดที่จะสมปรารถนาเลยผิดหวังเพราะมันเปลี่ยนขึ้นมาแล้วเนี่ยใครเป็นทุกข์เป็นทุกข์เลยใช่ไหมนี่เาว่ตัณหาสามวิภาวะตัณหาก็แปลว่าอะไรไม่ใช่อยากพ้น ใช่ไหมอยากให้พ้นไปอ่ะอยากให้มันเสื่อมไปอยากให้มันสลายไปอยากให้มันพ้นไปอยากใ้สิ่งที่เราไม่ต้องการให้มันสลายไปให้มันพ้นไปเคยมีไหมความต้องการแบบนี้ต้องการให้คนคนนี้คนคนนี้ไปให้พ้นๆเนี่ยต้องการให้เสียงนี้ไปให้พ้นๆเป็นต้นเ่าเนี่ยไอ้วิภาวะตัณหาเป็นไปลักษณะแบบนี้อยากทาลายด้วยนะ วิภาวะตันหานี่กินความไปถึงอยากทำลายอยากให้อันตรทานอยากให้มันพ้นไปความทุกเนี่ยความทุกใจเนี่ยเราอยากให้มันพ้นไปไหมความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกใจความเดือดร้อนตั้งหลายเราอยากให้มันพ้นไปนี่ก็เรียกวิภาวะสรุปแล้วตัวตันหามันมีอยู่อยู่ด้านหน้าของสมุทัยสจัทร์นะแต่เบื้องหลังเบื้องหลังของตันห่าคือคืออะไร อะไรเป็นเบื้องหลังของตันหาที่เป็นตัวสมุทรไทยรู้ไหมอวิชาอาวิชานี่คือความไม่รู้สรุปแล้วก็คือตัวตันหาเนี่ยตัวสมุทรไทยเนี่ยทั้งอวิชาก็เป็นสมุทรไทยกรรมเป็นสมุทรไทยได้วยไหมเป็นไม่เป็นกรรมที่นําไปในวัดไปเป็นไปในวัตัดทั้งหลายเป็นสมุทรไทยไห เป็นด้วยนะไม่ใช่ไม่เป็นนะกรรมเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่มันนําไปในวัตฏะทั้งหลายนําเกิดทั้งหลายเหล่านี้นาไปสู่สู่ผลทั้งหลายเหล่านี้ผลที่เป็นไปโลกิยาทั้งหมดนี้เป็นสมุทัยหมดเลยนะวิชาก็เป็นตัณหาก็เป็นกรรมก็เป็นอุปาทานก็เป็นด้วยก็จัดอยู่ในสมุทัยด้วยแม้สังขารยังเป็นสมุทัยเลยปุญญาพิสังขารอนะปุญญาพิสังขารอเนญชาวิสังขาร น, นั้นไม่ไม่ต้องว่าเลยสรุปแล้วก็เนี่ย สมูทไทยเนี่ยเป็นธรรมที่ควรควรประหารควรละความกันควรควรกำจัดแต่เราต้องไปทําอะไรมันไหมเดี๋ยวข้อเท็จจริงต้องไปทํำไหมเราต้องไปพยายามไหมฉันจะต้องละความโกรธฉันจะต้องละความโกรธต้องพยายามไหมฉันต้องละความเครียดต้องละความวิตกกังวลละความคิดมากฉันจะต้องมันมันต้องทําอย่างนั้นไหมวิธีการแล้วทํำยังไง ก็ให้รู้มันก่อนว่าเป็นธรรมที่ควรละควรประหารควรกําจัดควรทําให้หมดสิ้นไปใช่ไหมให้รู้เพียงแค่นี้ก่อนยังไม่ต้องไปทําอะไรกับมันแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเพราะเราพยายามจะไปทําอะไรกับมันนี่แหละมันเลยเป็นปัญหาตามมาอีกเยอะเอาต่อไปคือนิโรธหรือนิพพานเนี่ยสับเดียวกันเป็นสัจฉิกาตปรธรรมแปลว่าเป็นธรรมที่ควรทําให้ประจักแจ้ง ควรทำให้มีควรให้เกิดขึ้นก็หมายความว่าควรรู้ถึงควรบรรลุถึงอันนี้เป็นจุดหมายใช่ไหมเป็นจุดหมายเป็นเป้าหมายที่จะต้องดำเนินให้ไปถึงจุดหมายนี้ให้ได้แต่จริงนิโรธเนี่ยสภาพของความสุขหรือบรมสุขที่แท้จริงเนี่ยเราต้องทำอะไรไหมเพียงให้รู้ว่าเป็นธรรมที่ควรรู้ถึงบรรลุถึงเท่านั้นเนี่ย สรุปแล้ทกสมูทัยนิโรธสามอย่างเนี้พอรู้เสร็จแล้วเราควรทําอะไรกับเขาไหมคือทกเนี่ยนะเป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้อ่ะเข้าใจให้ชัดก่อนนะเข้าใจก่อนแต่คุณไม่ต้องไปทําอะไรกับเขาก่อนสมูทยัยตัณหาเป็นต้นก็เป็นธรรมที่ควรละควรบระหารควรกาจัดควรทําให้หมด รู้แค่นี้ก่อนไม่ต้องไปทำอะไรกับเขาเอเลยนี่โรดก็เป็นธรรมที่ควรรู้ถึงบรรู้ถึงควรทำให้ประจักษ์แจ้งขึ้นมาทวนควรทำให้เป็นจริงขึ้นมาให้รู้เพียงแค่นี้ทั้งสามอย่างไม่ต้องไปทำอะไรกับเขามาทาข้อสุดท้ายข้อเดียวคือมาร์กเข้าใจยังที่นี้มาร์เนี่ยมีอะไรเป็นมีอะไรบ้างมาร์กนี่เ็แปลว่าอะไร <Mark. S 2> เป็นภาเวแต่ประธรรมเป็นธรรมที่ควร ควรจเจริญคำว่าควรจเจริญก็แปลว่าควรทำให้เกิดให้มีขึ้นควรอบรมควรพัฒนาควรทำให้เกิดขึ้นอันดับแรกก็คือทำอะไรก่อนทำปัญญาคือสัมมาทิฏฐิให้มีให้เกิดขึ้นทีนี้ปัญญาคือสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะทำอย่างไรให้เกิดอันดับแรกในะปัญญาจะเกิดขึ้นได้ด้วยอะไรอะไรเป็น ปัจจัยทําให้เกิดปัญญาต้องฟังไหมนี่ต้องฟังเนี่ยสุดาหรือข้อมูลที่เรามาสั่งสมมาฟังเนี่ยเนี่ยฟังเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ร เ, กญญรเกิดความเข้าใจเมื่อเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจขึ้นมาแล้วเราจะได้เจริญเราจะได้ฝึกให้มีให้เกิดขึ้นทําอะไรให้เกิดขึ้นทําปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อทําปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วข้อที่หนึ่งชื่อว่าเราได้กําหนดรู้ด้วย อริยศสตร์ข้อแรกอะเมื่อปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยตัณหาหรือสมุทัยอ่ะมันจะเกิดได้ไหมเมื่อเกิดไม่ได้เขาเรียกกําลังละและในขณะปัญญาเกิดขึ้นแปลว่ากําลังดําเนินชีวิตเป็นไปตามเป็นไปตามมรรคะหรือหนทางนั้นแล้วเพื่ อ, อไปถึงจุดหมายคือนิโรธเห็ยนไหมว่าจริงๆโดยหลักการจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องไปทําอะไรมันเลยนะทุกสมุทัยนิโรธเนี่ย เราทาข้อเดียวคือมาร์กเมื่อเราทำข้อมาร์กข้อเดียวเนี่ยก็ชื่อว่าเรากำลังดำเนินชีวิตในการแก้ปัญหาแล้วแต่ที่ผ่านมามันไม่เป็นอย่างนั้นนี่โดยมากเราเอาข้อไหนมาทำให้เกิดขึ้นไม่ใช่เลยเราไปเจริญข้อสมูทัยคือข้อที่สองนี่มันผิดพลาดคือตรงนี้เราเรากำหนดอริยสัจไม่ชัดพอไม่ชัดขึ้นมาเช่น คิดวิตตกกังวลเครียดคิดมากก้ม อ, อกก้มใจข้อไหนก็ข้อสมูทายคือข้อสองแล้วก็ละเลยการเจริญมรคคือข้อสุดท้ายมรคนี้เป็นชื่อของศรัทธาก็เป็นมรคเนะอยู่ในกลุ่มของมรคนั่นแหละศรัทธาเป็นไปใจเกิดมรคเขานับเนื่องในนั้นหมดเลยศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาศีน ส, สมาธิปัญญาเนี่ยเป็นต้นเนี่ยนิคอยู่ในกลุ่มมรคหมดเลยที่ผ่านมาเนี่ย โดยส่วนใหญ่ชีวิตของพวกเราเนี่ยแทนที่จะไปเจริญมารกแล้วก็ไปเจริญอสมุทยัยยิงไม่ยิงแล้วมันลืมหัวข้ออยู่ต่อไปเกิดความเครียดความกลุ้มขึ้นมาทุกอกทุกใจขึ้นมาเราจะทำยังไงทุกอกเป็นไงไม่้ทุกใจนะครับ <c oughs> เวลาทุกใจขึ้นมาเราทำางไงไม่ใช่เวลาทุกกลุ้มใจขึ้นมาทำยังไงเครียดขึ้นมา แล้วเราก็ต้องบอกตัวเองว่านี่มันจเจริญผิดข้อมันจเจริญผิดข้อแล้วอริยศาสตร์ที่เราควรจเจริญคือข้อไหนข้อมารคเป็นข้อที่สี่อันนี้เรากําลังเดินข้อที่สองอยู่พอเดินข้อที่สองก็ไปไปทําให้สมุทัยเกิดขึ้นพอทําสมุทัยเกิดขึ้นสมุทัยก็เป็นเหตุของอะไรเก็เป็นเหตุของทุกข์แล้วมันจะไปพ้นทุกข์ได้ยังไงแล้วก็เพิ่มสร้างแต่เหตุ ข, ของทุกข์อยู่ล่ามไปอย่างเงี้ย เนี่ยเขาเรียกเจริญผิดข้อเข้าใจยังยอมพี่หญิงใหญ่เข้าใจอย่างที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้อ้าวเวลาเราโกรธลูกน้องไม่พอใจลูกน้องเนี่ยเราจเจริญข้อไหน ข, ข้อสมุทยัยจริงๆแล้วควรใช้ข้อไหนเวลาไปคุยกับลูกน้องหรือคุยกับคน ท, ทั่วไปเนี่ยใช้ข้อสี่ใช่ไหมล่ะสัมมาวาจา j a สัมมากัมมันต์เนี่ยอยู่ข้อไหน สัมมาวาจาการกล่าววาจาที่เว้นจากวัจีทุจริตสสมากรรมตาการกระทำที่เว้นจากการยทุจริตสามสัมมาชีวการประกอบวาชีพที่เว้นจากกายัตุจริตสาวจีทุจริตสีอยู่ข้อไหนอยู่ข้อมาร์กไปอยู่กลุ่มของศีลสมาธิหรือปัญญาจยากเริ่มไม่เป็นแล้วอย่างเงี้ยอยู่กลุ่มศีลเห็นไหมสมาทิฏฐิสัมมาสังกปปะอยู่กลุ่มไหน อยู่ปัญญาสมมาวยมารสมาสติสมาสมาธิอยู่กลุ่มไหนอยู่กลุ่มสมาธิมาร์กแปดก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยตรงเนี้ยทาความก็ใจะให้ชัดเอาทีนี้สันเลกาธรรมสี่สิบสี่ข้อเป็นทุกสมุทัยนิโรธหรือเป็นมาร์กเป็นมาร์กทั้งหมดเล ย, ยไหมเห็นไหมมาร์กมีเท่าไหร่และสี่สิบสี่ข้อมาจางไหน อ๋อออเอ๊ะทำไมเราฉลาดกันได้ยังไงเนี่ย <c oughs> โอ้เรืองเออไม่น่าแปลกนม่น่าจะจับอบรมสักเดือนนึงนะเนี่ยต่อไปจะได้โอ้โหไม่มีใครทุกเลยเจอหน้าแล้วไม่มีใครหน้าเนี้วคิ้วขมวดเลยเดี๋นี้ยยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนเลยเดี๋ยนเนี่ ย, ยสรุปแล้วก็คือสันเรกธรรมสี่สิบสี่ก็คือมาร์กนั่นเองแต่เป็นกล่าวโดยในยะ ในยะปริยายอย่างหลายอย่างนะสติประฐานสี่สมมประธานสี่อธิบาทสอินทรีย์ห้าพระห์พุทชงเจ็อริยมรรติองค์แปดก็กลุ่มภาเวตตประธรรมหมดเลยเป็นธรรมที่ควรเจริญเป็นมรรคทั้งนั้นแหละนะน่ะเริ่มเข้าใจแล้วนั้นสรุปแล้วที่ผ่านมาที่ผิดพลาดไม่ใช่อะไรหรอกมันผิดพลาดตรงที่ว่าแทนที่เราจะเจริญมรรคข้อสุดท้ายเรากลับไปเจริญสมุทยัยไปฝึกสมุทัยเกิดขึ้น เ, เพียนพยายามให้สมุทัยที่เกิดขึ้นแล้วก็เครียดแล้วก็ทุกข์แล้วก็ประสบปัญหาชีวิตอยู่ล่ำไปเขาเรียกว่าไม่เข้าใจอริยสัจเนี่ยเขาบอกไม่รู้แล้วรีบไปขยันมันก็เลยประสบปัญหาความทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้เลยมองเห็นได้ยังแต่เนี้ความเพียนมันก็มีสองอย่างนะเพียนผิดกับเพียนถูกใช่ไหมถ้าเพียนผิดเป็นมรรคสัจจะ แต่ถ้าเพี้ยนผิดเป็นเป็นสัจจะข้อไหนเป็นสมุทัยสัจจะเห็นไหมเนี่ยเออเจอเห็นมมิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิถ้ามิจฉาทิฏฐินี่เป็นสัจจะข้อไหนมิจฉาทิฏฐิอ่ะความเห็นผิดเนี่ยเป็นสัจจะข้อไหนเป็นทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะนิโรธาสัจสจะหรือเป็นมรคสัจจะ ท, ท, งงงทั้งท่างงฮะมิจฉาทิฏฐิยังเป็นมาารรคสัจจะอยเป็นสมุทัยาสาัจจะเขาเรียกเป็นมิจฉามรรคก็ไปอยู่ในนั่นแหละอยู่ในสมุทยาาาัยสัจจะนั่นเองมิจฉาสังกับปะอยู่สาจาัจจะข้อไหนก็ไปอยู่ในสมุทยาาาัยสัจจะ มิจฉาวาจามิจฉากรรมันตามิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามามิจฉาสติมิจฉาสมาธินี่ไปอยู่ในกลุ่มสมุทัยสัจจาเขาเรียกว่าเดินทางผิดดำเนินชีวิตผิดมันก็ไปประสบความทุกข์ความเดือดร้อนดิตัวเนี้ยมองเห็นไหมยังโอ้โหต้องรู้กันอีกเยอะเลยเนี่ย <laughs> เห็นไหมว่าจะไปตั้นหาว่าจะไปเกี่ยวกับชันท่าเลยไปไม่ถึงนาทีเดียวตัวนี้ก่อน ยังงงไหมเนี่ยงงไหมมิจฉาทิฏฐิเป็นเป็นอะไรทําไมถึงเรียกว่าเป็นสมุเสติยะสัจจะพอเห็นผิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องพูดผิดกระทาผิดไหมประกอบอาชีพผิดไหมก็ต้องเป็นปัจจัยกับเพียนผิดใช่ไหมสมาธิก็ตั้งผิดด้วยสติก็ระลึกผิดด้วย เมื่อเราดำเนินมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นให้เกิดขึ้นมาแล้วในกระแสชีวิตตอนนั้นชื่อว่าสมุทยยัยสัจจะนั่นเองแล้วก็ดำเนินหรือการปฏิบัติของเราเนี่ยก็ดำเนินไปสู่วัตถุความเดือดร้อนลําาปมองเห็นหรือยังว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเพราะเราไม่เราสับสนในอริยสัจ เราได้จะไปท่องกันเฉยๆนี่แหละแต่ในชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยพอดําเนินทีไรแล้วก็ปุ๊บไปอยู่ข้อสองอยู่เลยเลยเป็นสมุทัยอยู่เลยเลยวันๆเนี่ยเราเห็นอะไรปุ๊บขึ้นมาแล้วก็ดําบลิผิดคิดผิดพูดผิดกระทาผิดประกอบอาชีพก็ผิดอีกเพียนก็ผิดอีกระลึกก็ผิดตั้งมั่นก็ผิดอีกไปๆมาๆก็เลยแทนที่จะได้มรรคสัจจะก็ไปได้แค่สมุทัยสัจจะ เราก็ใช้สมุดทยานสัจจะเป็นทางดําเนินชีวิตของเรานั่นก็เลยกลายเป็นมิจฉามิมักเป็นทางที่ผิดเป็นดําเนินในทางที่ผิดอยู่เรื่อยเลยใช่ไหมเป็นไม่เป็นงั้นต่อไปทํายังไงดีแต่เนี้ยอ้าวพอไปดําเนินชีวิดำเนินชีวิตจริงๆริงพอเจอประสบปัญหาขึ้นมาทํางไงต่อย้อนกลับมาอะไร ย้อนกลับมาดูตนเองว่าตอนนี้เรากำลังเดินช่องทางไหนกันแน่เี่เราจะดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ดับทุกข์หรือจะดำเนินไปสู่ความเพิ่มทุกข์หรือขยายวัตถุกข์แต่เราไปอยู่กับเพื่อนเนี่ยพอไปเห็นพฤติกรรมของเพื่อนที่เขากระทำมันไม่ถูกใจเราหรือมันไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ใดๆก็แล้วแต่ที่เรารู้เราเห็นแล้วเราเกิดเครียดแล้วกุ้มขึ้นมา ตอนนั้นเราจะทำยังไงต่อเพราะชีวิตเราเป็นอย่างนี้ตลอดตอนนั้นก็แสดงให้เห็นใช้ว่าตอนนี้เรากำลังดำเนินชีวิตผิดหรือถูกที่เราเครียดล้วโกรธล้ว ก, วกุ้มอย่านีเราควรทำยังไงถ้าเจอสถานการณ์อย่างนั้นนี่เอาพื้นฐานสุดๆก่อนนะเจอสถานการณ์นี้ควรทำยังไงฮะก็เตือนตัวเองทันทีว่า เอ้ยตอนนี้เรากำลังใช้ข้อสองของอริยสัจในการดำเนินชีวิตอีกแล้วทำไงดีหาไ ม, ม้บรรทัดไปนึงก็ตีตัวเองสักครั้งหนึ่งเพียนอยู่เรื่อยไม่เอาข้อนี้ไม่เอาเอาข้อไหน ข, ข้อสี่ทำไม่เป็นอีกไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะเขาบอกมันทำยากใช่ไ้ย มันทำยากมากเลยเนี่ยการเอามีดแทงตัวเองเนี่ยง่ายจังแต่การจะเอามีดไปหั่นผักหั่นผลไม้มาเกยวทําอาหารกินเนี่ยากไหมอะไรยากกันนะการเอามีดแทงตัวเองกับเอามีดไปหั่นผักฮะ <c oughs> หั่นผักยา ก, กว่ะเ <c oughs> <c oughs> พราะอะไรแล้ว <c oughs> ไม่ซาดิสขนาดนั้น ชอบารทุดรายตัวเองคนที่คนที่เบียดเบียนตัวเองเนียกลุ่มสาดิ์นะกลุ่มที่เครียดบ้างโกรธบ้างโลภ บ, บ้างหลงบ้างอะไรเนี่ยมันมีคนก็ถามบอกว่าถ้าตื่นเช้าขึ้นมาถ้าเราเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยเขากำลังทบตีตัวเอง นะทุบตีตัวเองใช้อาวุธแทงตัวเองอยู่หรือคนที่เรารู้จักเนี่ยเอาพ่อเราแม่เราพี่เราน้องเราเนี่ยพอตื่นเช้าขึ้นมาเราเห็นเขากาลังทําตัวเองอย่างนั้ น, น, นเราจะมีความรู้สึกยังไงมีความรู้สึกงไงพอตื่นขึ้นมาเพิ่อเห็นพ่อกำลังชกต่อยตัวเองอยู่ทุบตีตัวเองเราจะมีความรู้สึกยังไงทําไมถึงตกใจ อา้าวถ้าแล้วที่เราเห็นคนแต่ละคนที่เขาเครียดเขาโกรธนะเขาโกรธแล้วเขาเครียดเขาเกิดความกําหนัดบางขัดเคืองบางรุ่มหลงบางประกอบกายย่ทุจริตบางวิจิทุจริตบางมโนทุจริตบัง่งเนี่ย ท, ที่เขากําลังทําอย่างนั้นจะต่างอะไรกับคนที่เขากําลังทุบตีตัวเองแทงตัวเองใช่ไหมล่ะและเราก็เป็นแบบนั้นเนี่ยเรานี่แหละเป็นคนที่ชอบประทุษร้ายตัวเองเบียดเบียนตัวเอง ประหัดประหารตัวเองอยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นไหมก็นี่ไงเพราะเขาดําเนินชีวิตผิดเท่าไหรแล้วเขาไม่รู้ตอนนี้เรารู้แล้วเอกสมุทยัยสมุทัยยะสจ่าข้อสองเนี่ยไม่ควรดําเนินทางนี้ไม่ควรดําเนินไม่ควรกระทํำเราก็เลิกซะที่อาชีพไ อ, ไอพ้พฤติกรรมแบบเนี้ยก็หันมาเดินข้อสี่เสียมาเดินเมตตาเดินกรุณาเดินมุทิตาเป็นมาร์กไหมกลุ่มพวกเนี้ย อุเบกขาเดินฉันทววิริยะจิตตาปัญญาเป็นต้นเหล่านี้ยมาเดินศีลสมาธิปัญญาซิมาฝึกศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นซิเราจะได้ไม่เป็นคนแบบนั้นนะเป็นคนที่ประทุสร้ายตัวเองทบตีตัวเองอ่ะที่ผ่านมาเราเป็นคนนั้นมาตลอดเลยแต่เราไม่เห็นไงตอนนี้เห็นหรือยังว่าเรานี่แหละเป็นคนที่ประทุษร้ายตัวเองมาตลอดเบียดเบียนตัวเองตลอดไอ้เบียดเบียนคนอื่นด้วยยังไม่ต้องพูดถึงในขณะที่ อย่างเราเนี่ยอยู่ในบ้านเราทุบตีตัวเองกัดตัวเองหยิกตัวเองว่างั้นเด้อปัสสาระตัวเองทุกวันทุกวันเนี่ยก็เราก็เรียกว่าเบียดเบียนคนอื่นด้วยนะนคนที่อยู่ด้วยก็ก็ะทกเขาก็เครียดแล้วก็เบียดเบียนในบ้านนั้นทั้งหมดด้วยสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมนั้นด้วยแล้วก็ไม่พัฒนาปัญญาด้วยเป็นไปกับความทุกข์ด้วยไม่เป็นไปเพื่อความเพื่อพระนิพพานด้วยชีวิตเราเป็นอย่างนั้นตลอดนะใช่ไหมล่ะ งั้นก็เลิกซะหยุดได้แล้วลําดับแรกก็เตือนตัวเองว่าพอได้แล้วหยุดได้แล้วพฤติกรรมแบบนี้การดําเนินชีวิตแบบนี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะไม่เบียดเบียนตัวเองเราจะไม่ปะทุษร้ายตัวเองอีกแล้วเราจะไม่ ด, ดําเนินสมุทัยสัจจะข้อที่สองอีกแล้วเราจะมา ด, ดําเนินมรรคสัจจะคือข้อที่สี่ถ้ายังดําเนินไม่เป็นก็มาฝึกสิมาเรียนรู้มาฝึกเพื่อทําให้มีให้เกิดให้ขึ้นให้เกิดขึ้นให้ได้พอมองออกกันยัง ถ้าไม่สถเทือนใจเรื่องนี้มันมันก็กลับไปทำร้ายตัวเองอีกนะที่ผ่านมาเนี่ยหมอว่าจริงไหมถ้าไม่สะเทือนใจตัวเองไม่รู้ว่าตัเองดำเนินชีวิตผิดมันก็จะเข้าใจว่าถูกเหมือนไอ้เด็กคนนั้นอ่ะไอ้เด็กที่ชอบปทัทธร้ายตัวเองคนที่ติดยาก็ดีคนที่ติดพฤติกรรมที่ผิดพลาดก็ดีเนี่ยชอบไปเอามีดกรีดตัวเองเห ชอบกรีดตัวเองชอบประทุษร้ายตัวเองพอมีปัญหาชีวิตก็เอาหัวไปท่มสาวทุ่มต้นไม้หรือว่าดินชักดินชักงอชอบประชดประชันตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนั่นแหะคนแบบนี้คือเขาดำเนินชีวิตผิดและเราเองเนี่ยเราดูรูปแบบเราไม่ได้ทําอย่างนั้นจริงแต่บาปที่เราทําความโลภความโกรธความหลง อกุศลทั้งหลายที่ดําเนินอยู่กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปะมิจฉาวาจาไปต้นจนถึงมิจฉาสมาธิเนี่ยอกุศลกรรมบทเนี่ยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตที่เราทำอยู่ตลอดเวลานี้คือการประทุษรลายตัวเองใช่ไหมนี่คือการดําเนินชีวิตไปตามสมุทัยสัจจะแล้วมันก็จะประสบทุกขสัจจะอยู่ล่ำไปแล้วมันก็ออกจากวัฏทุกข์ไม่ได้มันก็จมอยู่กับวัฏทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจอริยสัจให้ชัดเจนนี่แหละ แต่วันนี้เรามาศึกษามาเรียนรู้แล้วก็หยุดเสียหยุดทั้งกระบวนการความคิดหยุดทั้งพฤติกรรมใช่ไหมพอหยุดเสร็จปุ๊บเราบอกไม่ทําข้อนี้เราจะมาทําข้อที่สี่ทีนี้ข้อสี่จะทํำยังไงมันเคยข้อสองมาจนชํานาญแล้วจะทํำยังไงตอเนี้วิธีการจะทํำยังไงต้องมีศรัทธาศรัทธาในอะไร เดี๋ยวอยเพิ่งศรัทธาในอะไรก่อนมีตถาคตโพธิศรัทธาก่อนเชื่อมั่นอะไรเชื่อมันม่ น, น, นปัญญาตัดสรู้สัมมาสัมโพธิญาใช่ไหมเชื่อมัน่นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีปัญญารอบรู้อริยสัจชัดทำกิจในอริยสัจก็ชัดแล้วก็สามารถทําความบริบูรณ์ทั้งสัจญานกัตยานกิจญาและกัยะกตยาน สัจญานคือทุกนี้ทุกพรพุทธเจ้าก็รู้นี่เหตุที้เกิดทุกข์ก็รู้นี้ความดับทุกข์พระองค์ก็รู้นี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ก็รู้ทุกเป็นกิจที่ควรกาหนดรู้ไหมพระพุทธเจ้าก็รู้ตรงนี้สมุทัยเป็นกิจที่ควรละนี่โรดเป็นคกิจที่ควรทําให้แจ้งมาร์กเป็นกิจที่ควรเจริญทุกพระพุทธเจ้ากําหนดรอบรู้แล้วสมุทัย พระ อ, องค์ก็ละได้หมดสิ้นแล้วนิโรธพระ อ, องค์ก็เข้าถึงแล้วรู้ถึงเรียบร้อยแล้วมรรคพระ อ, องค์ก็อบรมบริบูรณ์จนไม่มีข้อบอกพร่องแล้วเราเชื่อไหมท่านพวเนี้มีทั้งสัจจยานกิจยานและกัตายานโอ้โหจากมนุษย์ธรรมดาสามารถทำยานทั้งสามให้เกิดขึ้นแต่ละยานเป็นรวมเป็นสี่สี่สามสิบสองทกิจ ในบอกว่ารู้รอบสามอาการสิบสองได้บริบูรณ์ตามธรรมจักรกับปวัฒนสูตรที่เราสวดเราเชื่อมั่นในท่านพอเชื่อมั่นในท่านปุบ๊บเราเอาความเชื่อมั่นเน่ยย้อนกลับมาเชื่อตัวเราเองได้ไหมเชื่อไหมว่าเราจาไม่ดําเนินตามสมุทยาาัยสัจจะอีกแล้วแต่เราจะดําเนินตามมรรคสัจจะเราจะทําสัจยาให้เกิดขึ้น คือเราจะไปรู้จากนี้ทุกแยกให้ถูกวันนี้ทุกนี่ได้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกและเราก็จะทํากิจในอริยศาสตร์ให้ถูกทุกเป็นกิจที่ควรกาหนดรู้ไม่ใช่เจริญไม่ใช่ไปเจริญทุกสมูทัยเป็นกิจที่ควรละแต่ไม่ใช่ไปเจริญสมูทยัยนิโรธเป็นกิจที่ควรทาให้แจ้งควรรู้ถึงไม่ใช่ไปเจริญเพราะมีอยู่แล้วเพียงแต่เราเดินให้ถึง มากนี่แหลเป็นกิจที่ควรจเจริญเราก็มาทําข้อที่สี่ตามท่านตามใครตามพระพุทธเจ้านั่นแหละมองเห็นไหมแต่เนี้ยแล้วเราก็ดําเนินเลยแต่เนี้ยและเราก็มีจุดหมายว่าเราจะต้องทํากัตยานในทุกข์ให้ได้จะต้องรอบรู้ทุกทั้งหมดให้ได้แล้วจะต้องทํากัตยานในสมูทัยก็คือจะต้องละสมูทัยให้หมดสิ้นให้ได้คากัตยานในนิโรธก็คือจะต้องเข้าถึงนิโรธให้ได้ ตามพระเจ้าทำกัตยานในมรรคจะต้องอบรมอริยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ให้ได้แล้วเราเชื่อมั่นอย่างนี้มันมันจะพลาดไหมถ้าเราเชื่อมั่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่พลาดที่มันมั่นใจขนาดนี้แล้วจะไหมว่าเอานี่แหละเนี่ยถ้าไม่มีตถาคตโพธิสัตห์ก็จ บ, ลยยจบลแล้วงานเนี้ยจบแล้วเราเราจะมีแบบอย่างตัวอย่างมีบุคคลต้นแบบได้อย่างไร <c oughs> ยากไหมเนี่ย เราเป็นมนุษย์ั้มเนี่ยเป็นไม่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์หมพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์นี่แหละแล้วเชื่อมั่นในท่านไหมเชื่อมั่นในเราไหมเชื่อไม่เชื่อหมอเชื่อไหมถ้าไม่เชื่อมั่นเ ร, เราซึ่งเป็นมนุษย์ก็เชื่อว่าไม่เชื่อมั่นมนุษย์อย่างพระพุทธเจ้าด้วย ถ้าเชื่อมั่นมนุษย์อย่างพระพุทธเจ้าก็ต้องเชื่อมั่นตัวเราเองด้วยมันอันเดียวกันคําว่าตถาคตโพธิสัตยานี่มันยึดยงกันแบบนี้พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ชั้นเลิศแต่เราดันเป็นมนุษย์ชั้นแย่เนี่ยเขาห้ามคิดแบบนี้เราก็ฝึกตัวเองครับเป็นผู้เลิศได้เป็นผู้ประเสริฐได้เป็นผู้ที่บริบูรณ์อย่างท่านได้ทําได้การเชื่อมั่นอย่างนี้เขาเรียกมีตถาคตโพธิสัตย์เชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคต เม้งเข้าใจไหมเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มสับสนนี่ยัยเริ่มหายความหายสับสนในอริยสตร์หรือยังไม่เชื่อว่าหลายๆคนยังยังไม่ค่อยชัดนะเนี่ยเนี่ยชัดไหมเริ่มชัดขึ้นไหมอริยศาสตร์เขาชัดอยู่แล้วแต่เราต่างหากไม่ชัดในอริยศาสตร์ใช่ไหมล่ะ อริยศาสตร์นี่เป็นสัจจะเป็นความจริงไหมเป็นความจริงที่มีอยู่ไหมมีอยู่แล้วพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นอริยศาสตร์ก็มีอยู่ไหมใครเป็นผู้ไปนค้นพบเป็นคนแรกแล้วพุทธิย่าก็มาเปิดเผยเปิดเผ ย, เเผยมาตั้งสองพันกว่าปีแล้วเรายังมืนเย็นอยู่เลยเนี่ยใช่ไหมล่ะอย่ามืนอย่างงขาจัดความง่วงเหงาเศร้าซึมออกไปเถอะมันจะได้หายงง แล้วต่อไปเราจะได้ดําเนินชีวิตตามอริยาศาสตร์ได้ถูกต้องจะได้ชัดเจนทันทีว่าอ๋ออริยาศาสตร์เนี่ยเป็นสัจจะเป็นความจริงของพระอริยะเจ้าใช่ไหมหรือใครปรารถนาจะเป็นพระอริยะต้องเข้าใจสัจจะความจริงนี้ปรารถนาจะเป็นอยากจะออกจากความเป็นบุรุชนเข้าสู่ความเป็นอริยะไหมก็ต้องรู้อริยาศาสตร์ถ้าไม่รู้อริยาศาสตร์ปฏิบัติในอริยาศาสตร์ผิดอย่าหวังความเป็นอริยะ เพาะนี่คือสัจจคของภาริยะนี่คือความจริงภริยะหรือสัจจคหรือความจริงที่จะทำให้มนุษย์ธรรมดาเป็นอริยะได้ก็ต้องเข้าใจสัจจคนี้เข้าใจความจริงนี้ยากไม่ยากท้าทายนะใช่ไหมสิ่งที่ท้าทายเป็นสิ่งที่ควรรู้อ่ะว่ารู้แล้วประเสริฐมากรู้แล้วทํามนุษย์ธรรมดาเป็นพุทธได้รู้แล้วทําให้มนุษย์ธรรมดาเนี่ยเข้าถึงปุถุชนธรรมดาเข้าถึงความเป็นอริยะได้เข้าถึงความเป็นผู้ประเสริฐเลิศได้ใช่ไหมล่ะ ทัา น, นต่อไปที่ผ่านมาเราไปสับสนตรงนี้นี่แหละสับสนในอริยศาสตร์นี่แหละพอเราไปท่องท่องได้นะทุกขังอริยศาสตร์จังเนะื้อก็สวดกันมาตลอดใช่ไหมชาติปีทุกขาชราปีทุกข า, า, า, กขามารณาปีทุกขังก็สวดกันเลยนะนี่เนี่ยทุกขอริยศาสตรพอทุกขสมุทยัยอริยาสตรก็สวดเนี่ยเจอได้อีก อนันทีราคาัสาตาตัตระตัตระพินดีเสยญาธิทางการรมตัณหาปวัตตาหาวิปวัตตาหาสวดได้หมดแต่เจริญไม่เคยถูกเลย่ทุกขณิโรธก็สวดได้ทุกขณิโรธธรรมนิปฏิปทาก็สวดได้สวไดสวได้สาธยายได้เสร็จแต่พอในชีวิตจริงๆเดินแต่อริยสัจข้อที่สองอยู่นั่นแหละเจอใครก็หลบกดหลงหลบกดหลงนั่นเองนี้เป็นธรรมที่ควรละ แล้ววิธีละไม่ใช่ไปจ้องที่จะละก็มาฝึกข้อที่ทสี่ให้เกิดขึ้นทําสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นทําสัมมาสังกปรายเกิดขึ้นทําสัมมาวจาสัมมากรรมิตาสัมมาชีวสัมมาวิมารสัมมาสติสัมมาสมาธิเกิดขึ้นก็แค่นี้เองไม่ต้องไปกังวลเนี่ยชะได้เท่าไหร่ละเท่าไหร่ปริมาณปัญญาที่เกิดขึ้นพอปัญญาเกิดขึ้นตอนนั้นสมุท implemented implemented ัยเกิดไหมเกิดไม่เกิดพอสติเกิดขึ้นสมุทัยเกิดไหม สติเกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นตอนนั้นสมุทัยก็เกิดไหมก็มาเจริญข้อนี้สิพราะมันเกิดพว บ, บไม่เอาไม่เอาฉันไม่เจริญข้อสองฉันจะเจริญข้อที่สีก็แค่นี้แหละวิธีการมีแค่นี้ง่ายไหมจริงๆนะจริงๆง่ายหรือยากง่ายหรือยาก ที่กินไอตัวสมูทไทยจะทํายากทํายากมากเพราะคนที่จะทําข้อสมูทไทยได้จะต้องประเภทซารดิตสุดๆเลยนะประเภทที่ต้องต้องกล่าวเกลียดตัวเองคือคือต้องเป็นคนที่เกลียดตัวเองมากที่สุดถึงจะทําข้อที่สองได้ไม่หวังดีกับตัวเองเกลียดตัวเองมาทุบสลายตัวเองต้องคนคิดแบบนี้เท่านั้นถึงจะทำข้อสองได้แต่ถ้าคนหวังความเจริญให้กับตัวเองเขาจะไม่ทําเด็ดขาด เรื่องอะไรที่จะต้องไปประทุวร้ายตัวเองเบียดเบียนตัวเองทำให้ตัวเองประสบความทุกข์ทำให้ตัวเองเดือดร้อนขนาดนั้นมันมันทำยากมากเลยนะจริงไหมจริงลองคิดมันดีๆ ด, ด, ด, ดิทำยากสุดๆในข้อสองเนี่ ย, ยมันต้องเป็นคนที่มึนจัดๆเลยถึงจะทำได้แยกบุญแยกบาปไม่ได้จริงๆถึงจะทำได้เอแรงไปวะฮะเอาความจริงเป็นอย่างนั้นไหม แล้วก็อย่างที่ยกตัวอย่างนะถ้าเจอมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยที่เอาไปกินเหล้าชกต่อยตัวเองเอาหัวไปทุ่มเสาทุ่มต้นไม้กระโดดกัดตัวเองจิกตัวเองเนี่ยมันทํายากมากนะอาการแบบเนี้นะคนที่จะเอาความโกรธขึ้นมาโกรธแล้วก็มาเกลียดมาทําความโลภความโกรธความโหล่อให้เกิดขึ้นทําความดันให้เกิดขึ้นทาําโรคไตโรคตับโรคปอดโรคอะไรเงี้ยเกิดขึ้นเนี่ยประทุษร้ายตัวเองขนาดนี้มันต้องเป็นคนที่ประเภทที่มึนสุดๆเลยนะ มันได้กล้าไปทุจรายตัวเองขนาดนั้นใช่ไหมล่ะฉันบอกทํายากมากอา้าลองรู้อย่างนี้ลองกลับไปทํายากไหมอา้าให้หมอกลับไปเครียดยังกล่าวยากไหมเอาเลยกลับไปเครียดเลยบอกฆ่ามันให้ตายเขาเกลียดมันนักไอค้คนคนเนี้ยเกลียดตัวเองมากอา้าไปทําเลยกลับไปให้คิดอย่างนี้เลยแล้วต่อไปฉันจะปะัดทุจรายตัวเองให้มากฉันจะวิตกกังวลให้เยอะ ฉันจะโลภเยอะๆฉันจะโกรธเยอะๆฉันจะหลงเยอะๆฉันจะทำกายะทุจิตวจีทุจริตมโนทุจริตทุกวันแล้วฉันจะได้ประสบความทุกข์ตายไปแล้วฉันได้เกิดเป็นสัตว์นรกฉันได้ไปเกิดเป็นเปรต เ, เป็นเดรัจฉานฉันได้จมอยู่ในสังสารวัฏเอาเลยไปทำเลยกล้าไหมนี่งไงสมุทยัย <c oughs> <c oughs> กล้าไมกล้า เอาเลยกลับไปโกรธอย่างเก่ากลับไปเกลียดอย่างเก่ากลับไปปพิทุศร้าตัวเองอย่างเก่าเอาเลยให้มันรู้เสียแล้วมันยัไม่ทำเรามนุษย์เนี่ยขอให้มันรู้เธอเป็นไฟเนี่ยแต่ก่อนมันไม่รู้มันก็มือไปแหย่อยู่นั่นแหละไปปลักไฟน้อนิ้วไปเหยียบไปเสียบในปลักไฟหน่อยได้ไหมกล้ามไหมไม่ไปต่างอะไรกัโรบโลภโกรธหลงที่เกิดขึ้นมาต่อไปก็กลับไปดูเลยดูแต่ภาพยนตร์อยู่นั่นแหละอย่าไปดูที่มันสร้างปัญญา ดูแต่นหนังดูดนตรีดูภาพยนตร์อะไรที่มันพาให้ตัวเองมัวเมาลุ่มหลองดูเยอะๆเขาไปดูเยอะๆเสพคุณเขาไหม <c oughs> เขามีเขามีดนตรีที่ไหนไปมีภาพยนตร์ที่ไหนไปมีการละเล่นเลิงลมที่ไหนก็ไปฟั <c oughs> งนั้นเถอะ <c oughs> ไปเพราะอะไรบวกนี่แหละฉันต้องการบะทดสอบลายตัวเองฉันเกลียดมากความรู้เนี่ยเกลียดมากปัญญาเกลียดมากสมาทธิไม่ชอบ ฉันชอบมิจฉาทิฐิมิจฉาสังกป่าฉันก็ชอบไอ้ดำริไปในกามเนี่ยโอ้โดีชอบดํำริไปในพยาบาทก็ชอบดํำริในการเบียดเบียนคนอื่นก็ชอบยิ่งคิดอย่างนี้มากๆมันยิ่งทกยิ่งกลุ่มยิ่งได้บาปเยอะๆฉันชอบฉันกลุ่มสาดิชฉันชอบแบบนี้หรอฉันไม่ชอบรองดํำริให้ดํำริสละแบ่งปันดำริไปในเมตตาไม่เอาดํำริไปในกรุณาก็ไม่เอามิจฉาวาจาฉันก็ชอบพูดพูดแล้วสะใจดีพูดเท็จบ้างส่อเสียดบ้างคำหยาบบ้างเพ้อเจ้อ ใช่ไหมถ้าพูดงดเว้นจากการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพื่อเยอะฉันไม่ชอบมิจฉากรมมันตะฉันก็ชอบการกระทําที่ผิดเนี่ยฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการมอ้หมันสะใจดีว่างนนั้นนะมิจฉาอาชีวะก็ชอบเลี้ยงชีพผิดผิดโกหกเขาว่าได้ทรัพย์มาพูดเท็จแล้วได้ทรัพย์มาส่อเสียดแล้วได้ทรัพย์มาเนี่ยฆ่าสัตว์แล้วได้ทรัพย์มาประพฤติผิดในการมแล้วได้ทรัพย์มาอุโหสะใจว่างั้นเนอะทำอยาเงี้ยเพี้ยนผิดฉันก็ชอบ เพียรในความโลภเพียรในความโกรธเพียรในความหลงเพียรในการทําทุจริตเนี่ยเพียรในการเจริญกุศลไม่ชอบละลึกผิดก็ชอบละลึกแล้วมันได้บาปโอ้โหมันตื่นเต้นดีความดันจะได้ความดันโลหิตจะได้สูงดีไหมนี่ไงไมิจฉามากนี่ไงสมุทยัทยสัจจาเอา้าถ้ารู้อย่างนี้แล้วไปทํำไหมอยากไปทํำไหม นี่ไงการเบียดเบียนตัวเองง่ายนิดเดียวก็เดินเนี่ยสมุทรไทยจจ่แล้วก็เห็นตัวอย่างเยอะๆพวกเเพว ก, เเวกเเวเ็เป็นอย่างนี้เพื่อนก็เป็นอย่างนี้สิ่งแวดล้อมก็เป็นอย่างนี้เปิดโทรทัศน์ไปแทบทุกช่องอ่ะมีแต่อั น, นี้มีแต่เดินดําเนินสมุทรยสจักรเห็นทั้งนั้นเลยด่ากันว่ากันส่อเสียดกันโจมตีกันใช่ไหมเนี่ยสมุทรยสจักรเห็นเต็มไปหมดอา้าวดูช่องที่มันไม่ถูกกันก็ได้ไอช่องนี้ก็ปลุกระดมช่องนี้ก็ปลุกระดมไปดูเยอะๆเสพเยอะๆ เาะงั้นแหละบางคนก็ปลุกระดมหากามปลุกระดมหาหาทิฏฐิบ้างปลุกระดมหาในเรื่องของโทสะบ้างก็มีเรื่องอย่างเงี้ยเปิดไปในช่องที่ของสวยๆงามๆก็ได้ <c ười> วันๆก็พลาลนาะว่าจะเอาอะไรมาแต่งเติมให้สวยงามเยอะแย ะ, ย ะ, ยะหมด <c ười> ไอ้เดาสอ้หลอกๆกันมีเยอะ <c ười> ใช่ไหมล่ะมันจริงๆเรามันเอาอยู่ไหมล่ะไอ้คนที่ไปขายของสวยของงา ม, มก็แทบตาย เใช่ไหมมาขายได้ปีสองปีต้องเปลี่ยนคนอยู่เลยไอ้คนนั้นแก่ไปซะแล้วต้องคนใหม่มาขายมันหลอกต้องมาหลอกกันเรื่อยๆต้องมาใช่ไหมล้ะไอ้ไโมหะก็โง่มันไม่ฉลาดนี่ไอ้ตัณหาก็โง่ไม่ฉลาดนี่พอเขามาพูดอะไร ป, ปุ๊บแป๊บเดียวลืมแล้วมันก็นึกว่าเออมันจะสวยจริงๆอย่างงี้เป็นต้นมองเห็นไหมเนี่ยเราอยากคบใครเราเราก็เรามันอยู่ที่เราจะไปคบเนี่ย ถ้าเราไปคบคนที่จูงเราไปหาสมุทร t h y a s a แล้วสิ่งแวดล้อมเราอยู่ในสมุทร t h ั a s a แบบนี้ไม่แปลกนะว่าทําไมเราเจริญข้อที่สี่ไม่เป็นเพราะเราไม่เคยคบกับคนที่เขาเจริญข้อที่สีแล้วก็คบกับสิ่งแวดล้อมแล้วบุคคลก็เจริญข้อที่สองตลอดแล้วเราก็ชํานาญในทีนี้ยแล้วเราก็บอกว่ายากไม่ยากได้งไงเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมไม่เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมลองเปลี่ยนดูสิเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เป็นพลัตนาตรายหมดไม่กี่ไม่กี่เดือนเราก็เจริญข้อสีได้ นี่กลับไปแล้วก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมสมุทรยศจักระสมุทรยศจักระตลอดมันจะนําเราไปหาทุกสิมันก็แค่นี้เองถ้าเราวิธีการเราต้องการจะเปลี่ยนตัวเองใช่ไหมก็เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนบุคคลที่เสพที่เรื่อายังเสดายเสดายเสีดายสมุทรยศจักระลงทุนมาตั้งนานแล้วจะพูดหนักไหมบอหนักไม่หนัก <c oughs> เอ้ามีใครจะถามอะไรไหมเนี่ยวอริยสัจชัดเย็นไว้ทตเนี้ยอ๋ออริยสัจใช้ชีวิตจริงไหมมันจเกี่ยวกับชีวิตจริงของเรานี่แหละไม่พูดเสอร้อนเลย <c oughs> <c oughs> อากาศร้อนเลย <c oughs> <c oughs> ปัญญาสำคัญมสาคัญสาคัญปัญญาเป็นหนึ่งในองค์มรรคนะเป็นตัวนำเป็นหัวหน้าเลย เป็นหัวหน้าของมรคสัจจะแคนั้นที่ตรงไหนที่ทําให้ได้สัมมาทิฏฐิคอยท่านทั้งหลายไปเถอะไปอยู่ที่ตรงนั้นนะไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เราได้สัมมาทิฏฐิเพราะสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะนําพากระแสชีวิตของเราเนี่ยเข้าสู่นิโรธสัจจะที่ชัดแต่ถ้าหากว่าในสิ่งแวดล้อมไหนบุคคลไหนถ่าไปแล้วเนี่ยมันได้สมุทัยสัจจะแล้วทําให้เราชํานาญในการเดินสมุทัยสัจจะ ที่ตรงนั้นถ้าเราปราถนาทุกปราถนาชาติทุกชราทุกปยาทิทุกมรณะทุก์ก็ไปเราเลือกเองนะเราก็เลือกเองแล้วก็สร้างสมุทัยสัจจะให้ชํานานที่สุดถ้ายังเดินสมุทยัทยสัจจะตัวไหนยังไม่ชานานก็ไปอยู่ใกล้ของคนที่เขาชํานานในตัวนั้นเดี๋ยวเราก็จะประสบความทุกข์อย่างแน่นอนใช่ไมยิงไม่ริง มันก็แค่ น, นี้เองวิธีการมันจริงๆไม่ได้ยากอะไรเลยนะเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนที่ถ้าเราไม่เรายังคลากระซังสงสัยอยู่ น, นั้นแหละเอเอาอยัางไงดีกับชีวิตว่า ง, งั้นเลยเรายังเรายังติดใจในสมุทัยสจัจจะอยู่ไหมถ้าติดใจก็ไปสร้างสิ่งแวดล้อมให้ให้อาหารของสมุทัยสจัจจะเยอะๆเราก็จะเป็นคนที่ชํานาญมากเป็นคนโลภที่ชํานาญเป็นคนโกรธที่ชํานาญเป็นคนโงที่ชํานาญแต่เราบอกอ่ำพอกันที่ หมดเวลากับสมุทัยสัจจะฉันจะเดินมรรคสัจจะก็ไปสร้างสิ่งแวดล้อมสิหาสิ่งแวดล้อมที่ใครที่ให้สัมมาทิฏฐิเราแล้วก็ไปหาคนนั้นใครให้สัมมาสังกปะเราก็ไปหาคนนั้นใครให้สัมมาวาจาสัมมากรรมิตาสัมมาชีวะสัมมาวายามาสัมมาสติสัมมาสมาธิเราก็ไปหาสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นในที่จริงเราก็จะปลูกฝังมรรคสัจจะเราก็จะดำเนินไปมรรคสัจจะพอมรรคสัจจะเกิดขึ้นมีปัญญาเกิดขึ้น แล้วก็ฉลาดในทุกแล้วก็ละสมุไทยแล้วก็ใกล้จุดหมายคือนิโรธถ้าทําให้บริบูรณ์ได้เมื่อไหร่แล้วก็ละสมุแล้วก็กําหนดรอบรู้แล้วก็ฉลาดในทุกขสัสจักรได้ทุกด้านละสมุไทยได้ทั้งหมดเข้าถึงนิโรธได้เต็มรูปแบบแล้วก็อริยมรรคก็เต็มบริบูรณ์หลักการมีแค่นี้แหละนี่นี่คืออริยสนะัจนะเจิงๆเราแต่เราไปมัวท่องๆกันมันยากจริงถ้าไม่พูดสรุปแบบเนี้ใช่ไหมล่ะ ลองไปนั่งท่องนั่งอ่านดูทีโหยากมากเลยโคตรจะเข้าใจนี่แต่พพูดสรุปอย่างนี้ดูยากไหมแต่ดูทำเหมือนจะยากใช่ไหมอะไรรู้ไหมทําให้เราคิดว่าทำยากสมุทัยอยู่ในใจเราอะมันค้างใจอยู่มันไม่กล้ามันไม่กล้าไอ้สมุทัยมันเหมือนอะไรที่บอกว่ามันเหมือนความคิดเหมือนไส้เดือนเนี่ยปัวดินจะหมดกินทีละนิดละนิดไม่รู้ปริมาณของดินมันคิดอย่างนั้นจริงๆในตัวไส้เดือนเนี่ย กินดินทีละน้อยละน้อยละน้อยโอ้ยอย่าไปเดินมากกษัตริย์ จ, จ่เต็มรูปแบบเลยค่อยเป็นค่อยไปอย่างนั้นเลยเราคงทําอย่างนั้นไม่ได้ห้อกมันจะคิดมันเสียดายอ่ะเสียดายสมุทรไทยเสียดายตันหาเสียดายบาปที่ลงทุนไปแล้วเสียดายกับการที่ต้องไปเกิดเป็นเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็ดอสุรกายสัตว์นรกเสียดายมากโอ้โหลงทุนไปขนาดนี้แล้วเนี่ยเราไม่อยาก คล้ายๆว่าเรายังไม่อยากกลับเนื้อกับตัวเต็มที่อ่ะถ้าจะกลับแต่ละทีก็ประเภทที่เอาเอาสมาธิทียี่สิบเอร์เซนเอามิจฉาที่ถีแปดสิบ <c oughs> เป็นอย่างนั้นไหมชีวิตรเรายังกล้ามกึง่งยังวิจิกิจฉาแบบนั้นอยู่ไหมไม่มั่นใจไม่มั่นใจว่ามรรคสัาาจจะจะดำเนินไปสู่ทาง พ, พ้นทุกข์ได้ แต่เรายังมั่นใจสมุทรทยาสจ่ามันให้ความสุขในปัจจุบันได้เรายังชอบอใช้ลิ้นเลียกินน้ําผึ้งบนใบมิตรโกนเบนคมของมิตรโกนอยู่รู้สึกมันหวานถึงแม้จะเจ็บปวดบ้างก็ก็ชอบลิ้นมันจะขาดก็ไม่เป็นไรเลียแผลบกันอยู่นั่นแหละมันยังชอบรู้สึกมันยังให้รสอร่อยอยู่ทั้งๆ้งที่ฉันจะเจ็บปวดฉันอาจจะถูกกระทําอย่างเจ็บปวดแต่ฉันก็ยังชอบ ความหวานชนะความหวานในน้ำพึ่งที่ติดคมมิดโกนไม่ได้คิดอย่างนั้นไหมฉันกล้าลงทุนฉันกล้าแรกฉันกล้าแรกกับความทุกข์ขอฉันสุกนิดนึงฉันก็เอาคิดอย่างนั้นไหมถามจริงอ่ะไอเราคิดว่าเราเรากล้ากลับตนเองเนี่ย กล้ากลับหลังหันไหมกล้าไหมถ้าทางนี้ที่มันเดินไปเรารู้ว่ามันจะตกเขียวตายอะ่ะไอ้ที่เราที่เราดำเนินมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฉันนึกว่ากล้าหยุดแล้วกลับหลังหันไปอีกทางไหมกล้าไหมกล้าใช่ไหม กล้าก็ออกจากสมุทัยสัจจามาเดินมรรคสัจจาสิมันคนละทางกันที่เราเดินมันไม่ใช่ทางมันไม่ใช่ทางที่เราเดินเลยนะไอ้ทางที่เราเดินน่มันเป็นสมุทัยสัจจาเนี่ยนั่นเป็นเหตุของทุกข์นะมันจะไม่ถึ ง, ถงความลดพ้นทุกข์ได้เนี่ยมันจะไปมันจะไปสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับเราใช่ไม่ใช่้มาเดินข้อสี่เอาทีนี้ให้อริยสัจจาค่อนข้างชัดแล้ว มีใครยังค้างคาใจกับการจะปฏิบัติในอริยสัจไหมมีไหมแต่วิธีการปฏิบัติบางทีมันก็ยากเหมือนกันใช่ไหมเราคิดอย่างนั้นใช่ไหมไอ้ที่เราคิดอย่างนี้เพราะอะไรเออเราชำนาญกับสมุทยัทยสัจจะเราชำนาญกับกับเส้นทางนี้บางครั้งก็ต้องยอมร้องไห้นะ แขาเประพฤติทําด้วยน้ําตานองหน้าเราเคยได้ยินคำนี้มันคือมันตั้นหามันมีกําลังมากมันอยากจะให้เราทําอย่างเดิมๆที่เราเคยทําบางทีก็หักมันบางทีมามาทำไอ้แบบใหม่นี่เราไม่คุ้นเคยเลยอะ่ะมันเหมือน ว, าว่าหวมันดูเหงามากเราจะดําเนินชีวิตอย่างไรถ้าเราจะเดินยังเดินอย่างเงี้ยในขณะที่คนหมู่มากมันเดินทางนี้กันเนี่ย เหมือนเราจะไปคนเดียวอย่างเงี้ยมันเหงาไหมถ้าแบบนนะเนี้ยต้องกล้านะเนี่ยต้องใช่ไหมบางทีมันก็ต้องเลือกเลือกแล้วหรือเรายัางคิดมีว่ามีเวลาที่จะเลือกอีกหลายปีเราคิดอย่างนั้นไหมหมอคิดอย่างนั้นไหมมีเวลาไหมยังเหลือเวลาอยู่ไหม ยังงงๆงอยู่ฮะยังงงไหมอริยาศาสตร์ชัดหรื อ, อยังชัดแล้วที่ผ่านมาเราเดินข้อไหนข้อสองชำนานไหมข้อนั้นคิดว่าจะถ้าออกจากมันจะต้องเป็นทุกข์ไหมอ่าเป็นทุกข์ดีเพราะเราชํานานนี่ยเป็นทุกข์มากนะเดี๋ยวเราก็โดดไปข้อสองโดดไปข้อสองเยเพิสตีมะอะไรมันก็โดดไปข้อสองเลยใช่ไหม ที่จะไปเดินข้อสี่แต่เราเก้งก้างเลยเนี่ยทำาทบไม่ถูกเลยเนี่เนี่ยใช่ไหมทำไม่เป็นเลยไม่รู้จะทํำยังไงตัวอย่างก็ไม่มีเราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมเขาก็ได้แต่เดินแต่ข้อสองให้เราเห็นอยู่เนี่ยเลยทําไงนั่นคือปัญหาของของโ ย, งโยมเองนะยมต้องกลับไปอยู่ที่ข้อสองกันนั่นแหละอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นแหละแค่ในห้องนอนเราก็มีอุปกรณ์เพิ่มข้อสองเต็มไปหมดเลยอะจะทายังไง เราจะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมยังไงที่จะทําให้เราเดินข้อสีได้อะใช่ไหมใช่แม้เพื่อนที่เราคุยที่ทํางานที่เราทํามันก็เป็นอาหารของข้อสองทั้งนั้นเนี่เป็นอาหารของโลภะโทสะโภหะปัญหามันนา่าที่ตีแทบทั้งนั้นเลยนั้นอุปกรณ์เลยสิ่งแวดล้อมของเราทั้งหลายเนี่ยโดยมากเป็นอาหารของข้อสองแล้วชํานาญก็มันจะขนาดนั้นเลยแค่เรามานั่งคุยๆกันอย่างนี้มันยังหัวร้อนแล้ว ตัณหาหัวลอกากเลยโอ้ทาท่าไปปรึกษากันจะออกจากเขาใช่ไหมล่ะเขารู้ทันเราหมดเลยอ่ะอแค่แค่นั่งคุยอย่างี้ปุ๊บพอนั่งไปพอถึงตอนจะไปกินอาหารตอนเพลนก็บอกว่าเป็นยังไงล่ะตัณหาถามไปได้ข้อมูลเรื่องอริยาศาสตร์ชัดแล้วใช่ไหมบอกใช่แต่คุณออกจากฉันไม่ได้หรอกมาทําไมต้องออกไม่ได้ ทำไมถึงออกไม่ได้ก็คุณเคยเห็นคนติดยาเสพติดขั้นรุนแรงแล้วละได้ไหมตอนนี้เราติดเสพข้อสองคือติดเสพตัญหาอย่างขั้นรุนแรงขนาดนั้นถ้ามีใครสักกี่คนรอดพ้นจากฉันได้พราพูดยงี้ท้อไหมเรายอมเป็นคนแล้ว เ, เราติดสิ่งเสพ แล้วติดยาเสพติดติดยาเสพติดมันติดข้างนอกนะไอติดตันหาติดมาหน้าทิถีเนี่ยมันอยู่ข้างในเลยเป็นเนื้อเป็นตัวจะออกมันยังไงแล้วมันติดถึงขังง้นงอมแงมแล้วถ้าเป็นคนที่เขารู้บอกว่าฉันไม่กลัวหรอกเพราะฉันมีธรรมโอสถฉันเลิศของพระพุทธเจ้า ฉันจะดื่มธรรมะโอสถทุกวันฉันจะต้องออกจากการติดสิ่งเสพอย่างงอมแงมนี้ได้อย่างแน่นอนเพราะฉันได้ยาดีหมอดีเพราะฉันเป็นสิทธิ์มีอาจารย์แต่ก่อนฉันอาจจะสู้สู้คุณไม่ได้แต่วันนี้ฉันมีแบล็คดีใช่ไหมมีที่พึ่งดีมีสารณะดีฉันถึงไม่กลัวคุณกล้ากล้ากล้าพูดคำนี้มหมกับตันหา เพียงแต่ว่าเราอย่าละเลยพทธเจ้าเนะี่ยถ้าเราละเลยพทธเจ้าแล้วพระเจ้าก็จะละเลยเราใช่ไหอันนี้ก็ให้แนวทางวิธีคิดเข้าไว้แต่หลักการทั้งหลายในข้อมูลทั้งหลายเราต้องไปเพิ่มเติมเนะ้อรู้แค่นี้ออกยากยากวงเล็บไว้เลยยากแต่ถ้าอยากจะออกจากมันถ้าอยากจะดำเนินชีวิตไปสู่จุดหมายไปทางที่ถูกจริงๆก็ใช้ความเพียนเรียวแรงที่มีทั้งหมดเต็มที เต็มที่แล้วเราจะออกจากมันได้แล้วเราจะปลอดภัยชีวิตเราจะปลอดภัยไม่ใช่ปีหนึ่งจัดมาปฏิบัติสามวันไม่มีทางหรือมาเรียนรู้สามวันไม่มีทางจะออกมันได้เชื่อไหมไม่ได้มันก่อมเราอยู่สามร้อยหกสิบสามวันเรามาเรียนรู้จะออกจากมันสามวันพี่ <c oughs> มันก็ละเรื่องเลยใช่ไหมกว่ละเรื่องเลยมันมันฟังนะมันไม่สมเหตุสมผลอะไรเลยวะมันแต่ปัญญานี่ไม่ธรรมดาเนี่ยธามะกับพระเจ้านี่แค่ทําปัญญาิเกิดขึ้นสักปบเดียวเนี่ยโอ้โหไอ้ตันหาหรือสมุทัยทั้งหลายเนี่ยมันกลัวมากลุนล้านมันอันตรฐานปุ๊บแค่แค่เนี่ยแค่รู้แค่นี้มันยังสว่างขนาดนี้ ถ้าเรารู้ข้อมูลแบบนี้แบบติดต่อและต่อเนื่องเมื่อไหร่นอะโอ้โหตันหาหมดทางไปเลยร้องไห้ตันหาจะร้องไห้ทุกวันเลยตอนนี้เราเห็นเห็นตันหาเริ่มร้องไห้บ้างไหมเห็นไหมหรือเห็นปัญญาร้องไห้ฮเห็นปัญญาร้องไห้หรือเห็นตันหาร้องไห้ตอนนี้ ย่อมมีเห็นตัศนาร้องไห้หรือเห็นปัญญาร้องอ๋อทัศนาเริ่มร้องอ๋อจะเดงกมันนะทัศนาเริ่มร้องไห้ทัศนาเริ่มจะไม่ได้มีที่พึ่งแล้วเนะาะทัศนาเขาเคยมากลอบ ม, มาอย่าทิ้งฉันเลยฉันอ๋อฉันก็อยู่กับคุณมาตั้งนานแล้วทําไมจะมาทิ้งกันอย่างนี้เล่าใช่ไหมตัศหาทุติโยปุริโส บุคคลมีตันหาเป็นเพื่อนสองก็ฉันเป็นเพื่อนคุณมาทุกอัตภาพทำไมมาครั้งนี้คุณถึงจะทิ้งฉันเล่านี่เขาบอกอยากทิ้งไหมหนูอยากทิ้งตันหาไหมอยากจะทิ้งไม่สงสารเขาเลยเขาอุตส่าห์ตามหนูมาในสังสารวัฏตั้งนานนะใจดำขนาดจะทิ้งเขาเลยเลยโอ้โหใช้ได้ที่จะถือใช้ได้กล้าที่จะทิ้งเขา อ้ถ้าเขาเปลี่ยนรูปล่างมาอย่างดีๆแบบอ้อซอะมาเนี่ย <c oughs> <c oughs> เขาเปลี่ยนหน้าตามาแบบโอ้โหอ้อซอกมาเลยอย่าทิ้งฉันเลยฉันก็ให้ประโยชน์คุณทั้งเยอะเนี่ยฉันก็ให้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตวิจัยตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมอง ฉันก็ให้ความสุขแก่คุณตาที่สวยๆเสียงที่พระๆกลิ่นที่หอมหอมรถที่อร่อยสัมผัสที่นิ่มๆฉันให้คุณได้บำรุงบำเลอให้คุณมีความสุขให้คุณมีบ้านให้คุณมีรถให้มีคุณมีลูกให้มีทรัพย์สมบัติมีเกียรติยศชื่อเสียงให้ฐานันดรจนจนถึงอะหม่อมราชวงศ์เลยนะคนไม่คนคนยังจะกล้าทิ้งฉันหรือาจจะบอกว่ายไงะ นั้นความดีที่ฉันทำกับคนคนไม่เห็นคนไม่กระตันอยกับฉันเลยลือน่าจะตอบเขาว่างเขาบอกว่าถ้าอยากจะพ้นจากวัฏโทกห ร, รือออกจากตัณหาให้ได้เบื้องต้นให้มีศรัทธาเป็นเพื่อนให้เปลี่ยนตัณหาเอาศรัทธามาเป็นเพื่อนสอง ศรัทธาแล้วจะมีสภาพที่มีความเชื่อมั่นด้วยผ่องใสด้วยแล้วจะมีความกล้ากล้าในการที่จะเดินข้ามนะเดินข้ามโอคะได้บอกศรัทนะธาเนี่ยนะที่ตั้งมั่นดีแล้วจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนนําพากระแสชีวิตข้ามโอคะได้ใช่ไหมข้ามโอคากามโอคเป็นตัวนั้นศรัทธาเนี่ยถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเพื่อนนะ ยังให้ตัณหาเป็นเพื่อนสองอยู่ล่ำไปตัณหาก็นำไปสู่ทุกข์งั้นต้องเปลี่ยนบอกว่าตัณหาเอ้ยเราครบกันมานานก็จริงแต่ตอนนี้เราขอคบเพื่อนใหม่คือศรัทธาตัถาคตโพธิศรัทธาเป็นเพื่อนฉันต่อไปฉันจะไม่คบตัณหาไม่คบคุณฉันจะยาขาดจะคุณไปไปที่อำเภอก็ไปข อ, อยาขาด อย่าไปจดทะเบียนสมรสกับเขาอีกอย่าหรือยังอย่าแล้วนะอย่ากตัญหานะนอย่าหรือยังไม่กล้าอย่ายังคิดว่าเขาให้ประโยชน์เราอยู่อย่ากตัญหาแล้วก็ไปจดทะเบียนกับศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคต แล้วก็เชื่อมั่นกรรมที่พระตถาคตทรงธทรรมบำเพ็ญมาจนเป็นปัจจัยการตัดรู้สัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็เราก็เชื่อมั่นว่ากรรมที่เราจะทําก็คือมรรคกรรมหรือจเจริญอริยมรรคนี่แหละเราก็จะเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ตามพระตถาคตนั้นได้จริงเนี่ยและเราจะไม่เปลี่ยนเพื่อนเราจะมีศรัทธาเป็นเพื่อนสองไปเรื่อยๆศรัทธาจะได้ ชักจูงวิริยะมาชักจูงสติสมาธิและปัญญามาที่สุดจริงๆฉันจะพ้นจากวัฏทุกได้พเพราะจําเปลี่ยนเราจเปลี่ยนเพื่อนแล้วเน้นเปลี่ยนนี่ยังเราบอกว่าเปลี่ยนแต่เขาเขายังไม่ยอมทิ้งเรานะแม่งเปลี่ยนนี่ยังยังลังเลสงสัยอยู่เปลี่ยนจาก เปลี่ยนจากตัณหามาครคบกับศรัทธาศรัทธาที่ถูกเนะเนี่ไม่เขามีหลักแบบนี้เลยเราจะไปดูถ้าไปเจอพุทธพจน์จะมีนะตัณหาทุติโยปุริสอก็มีบุคคลมีตัณหาเป็นเพื่อนสองก็มีบุคคลมีศรัทธาเป็นเพื่อนก็มีต้องไปดูอ๋อที่ผ่านมาในสังสารวัฏพราะเราครบเพื่อนคือตัณหาและให้ตัณหาเป็นที่ปรึกษาเรามาตลอดไม่ว่าจะทากิจการใด ตั้หาปรึกษาแล้วเราก็ทําตามเพื่อนคนนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นเองเราจึงไม่สามารถออกจากทุกได้และแก้ปัญหาไม่ได้จริงได้เฉพาะหน้าเฉพาะหน้ากันอยู่อย่างนี้ยเปลี่ยนเลยทุนเนี้ยที่ปรึกษาคนนี้ไม่ดีจริงไม่ดีจริงเปลี่ยนตั้หาเป็นเป็นศรัทธาคบศรัทธาก่อนถ้าไม่มีศรัทธาแล้วจะไปหยิบปัญญามาได้ยังไง ต้องคบศรัทธาเขาไว้เข้าใจใช่ไหมเพราะศรัทธาเป็นมือไงเราจะได้ไปเก็บทรัพย์เก็บอริยทรัพย์อริยทรัพย์คือศีลอริยทรัพย์คือสติสมาธิอริยทรัพย์คือปัญญาทั้งหลายเนี่ยพอได้ศรัทธาเป็นมือแล้วก็ไปเก็บเอาเอาถ้าไม่มีศรัทธาแล้วเนี่ยจะเข้ามานั่งใกล้ไหมมันก็ไม่เข้ามานั่งใกล้ เมื่อไม่ไม่ไม่มีศรัทธาก็ไม่เข้ามาไม่เพราะไม่เข้ามาก็ไม่นั่งใกล้เพราะไม่นั่งใกล้ก็ไม่เงี่ยโสวดลองฟังหรอกใช่ไหมลองพอไม่เงียสวดลองฟังมันจะไปตั้งจิตรับรู้พอไม่รับรู้มันก็ไม่จํำพอไม่จําก็ไม่ตั้งก็ไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจก็ระดมความเพียรไม่ได้พอระดมความเพียรไม่ได้มันเข้าถึงปัญญาไม่ได้เข้าถึงปัญญาไม่ได้ก็พ้นทุกข์ไม่ได้ฉะนั้นศรัทธาจึงสําคัญที่สุด แต่ชีวิตเราไม่ได้อยู่จมอยู่กับศรัทธาแต่เบื้องต้นเนี่ยต้องมีศรัทธาต้องมีศรัทธาเลยและศรัทธานั้นต้องไปเชื่อมกับปัญญาให้ได้ถ้างนั้นเราจะไม่สามารถพ้นจากวัฏฏุทุกไดอ้อย่างแท้จริงงั้นเบื้องต้นต้องก่อศรัทธาไว้ที่เป็นตถาคตโพธิศรัทธาเนี่ยอย่าให้หลุดเด็ดขาดนี่สําคัญที่สุดเลยเนะถ้าไม่มีศรัทธาแล้วอย่าหวังอย่าหวังการพ้นทุกคนจะข้ามโอคาได้ด้วยศรัทธา จะข้ามทุกได้ด้วยปัญญาจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานะก็คือจะข้ามโอคะกาโอคะาพระโอคะที่โถค่าวิโชค่าเนี่ยโอค่าสงขารสังสารวัตได้ต้องมีศรัทธาก่อนจะล่วงทุกได้ด้วยความเพียรจะต้องเพียรในการที่จะเจริญกุศลเป็นต้นและจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาใช่ไหมล่ะ <laughs> ทุกใจไหมพอรู้แนวทางแล้วชื่นใจไหม เพ็นใจเนะีย <Blue> เห็นศรัทธานี่สาคัญมากถ้าไม่มีศรัทธาแต่ก่อนที่ผ่านมาเราก็คบแต่ตันหามาตลอดเอาตันหาเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาทุกเรื่องทุกเรื่องเลยนะสังเกตดูท <S <S ีลองนึกในชีวิตจริงจรเดเรามีตันหาเป็นเพื่อนมาตลอดจริงๆร<อ>ิงอออยากจะกินอะไรตันหาก็กระซิบบอกไอ้นี่สิอร่อย <passa š y> ไปแล้ว อยากจะแต่งตัวยังไงชุดนี้ดีไปเที่ยวห้างที่ไหนโอ้ห้างที่นี่ดีโอ้เราปรึกษาเขามาตลอดใช่ไหมถามจริงทุกวันเรายังแอบกระซิบปรึกษาเขาอยู่หรือเปล่ามีไหมบอกไม่ปรึกษาเลยหรือ oh. โอ้ฮะบอบ้างหนักใหญ่เลย อ๋อตันหานี่ขนาดนั้นน้ปรึกมั้งนั่นมันจะมีตันหาสามกลุ่มใช่ไหมกามตันหาบาวะตันหาวิภาวตันหาเอ้าใครตันหาตัวไหนมีกําลังระหว่างกามตันหาบาวะตันหาวิภวตันหาเพื่อนสามตัวสามลักษณะไอตัวตันหาเนี่ยโดยมากเราใช้บริการตัวไหนมากที่สุดือใครชอบใช้บริการกรรมาตันหามากไปหาสิ่งที่สวยๆงามๆทั้งหลายเนี่ย ชอบหาสิ่งบำรุงบำเรอมาบำรุงบำเรอตาหูจมูกลิ้นกายใจอยากได้บ้านอยากได้ทรัพย์อยากได้รถอยากได้เพื่อนอยากได้ฐานันดรอะไรก็แล้วแต่เยอะไหมถ้าเพราะว่าทหาก็คืออยากให้สิ่งที่เราได้มาแล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงตัวนี้เยอะไหมอยากให้มั่นคงอยากให้มันคงที่อยากพ้นอยากพ้นจากสภาพที่ไม่ชอบใจเยอะไหมใช้ตัวไหนเยอะที่สุดเนี่ยหรือใช้ทั้งสามบริการทั้งสามตัวเลย โอ้ย่านี่ใช้จนคุมเลยเนะียใช้จนครบใช้จนยับเยินหมดเลยใช้จนตนเองยับเยินหมดเลยเนี่ยก็เรียกว่าการาตันหาก็ชอบเพราะว่าตันหาวิเพราว่ตันหาก็ชอบโอ้โหเราใช้บริการตันหาเหล่านี้ช่ำชองมากชำนิชนานาญในการใช้มานี่เห็นไหมเนี่ยไอ้เนี่ยเราครบมันเป็นเพื่อนเมื่อตลอดมันเป็นที่ปรึกษาทุกขั้นตอนทุกเรื่อง ไม่มีวันไหนที่เราจะไม่ปรึกษามันเลยแล้วเราก็ยังไม่รู้อีกว่าเราครบมิตรชั่วใช่ไมครบปาปมิตรไอ้ครบตัณหานี่แหละแล้วยังไม่เคยคิดว่าเอ้ยฉันจะเลิกครบจากมันตั้งเจตนาตั้งก็ตั้งเบาๆตั้งแบบผิวๆตั้งแบบตั้งแบบประเภทที่ไม่จริงไม่จังใชมมาสวดมนต์ไปไม่รู้กี่ครั้งแล้ว ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าแวบออกไปก็ไปครบตัญหาต่อเนี่ยประกาศยืนยันหยอกหยอกนี่แหละกลับไปก็ไปคบตัญหาต่อตัญหาก็ไหนไปประกาศจะเลิกครบกับฉันแล้วจะไปเป็นทาสพุทธเจ้าจะไม่ยอมเป็นทาสฉันแล้ว เขบอกฉันพูดเล่นๆที่ไปสวดมนต์ฉันสวดเล่นๆไปอย่งนี้สังเกตตัวที่ฉันใช้เวลาไปประกาศยืนยันแค่สามสิบนาทีฉันก็ใจจะขาดนะฉันต้องรีบมาหาเพื่อนอยู่นี่แหละเพื่อนยังไม่รู้หรือว่าพฤติกรรมที่ฉันทําแต่แต่ใยสาระนี่เพื่อนดูสาระฉันประกาศไปอย่างนั้นแหละแต่จริงๆฉันยังมีเพื่อนคือตั้หาเป็นเพื่อนสองอยู่ล่ำไปฉันยังไม่ยอมทิ้งเพื่อนเพราะฉันยังชอบใจดีอยู่กับเพื่อนโดยข้อที่จริงเป็นงั้นไหม เอาใหม่แต่เนี้ยกลับไปปรึกษาตัวเองใหม่ตกลงเราจะคบใครกันแน่ระหว่างศรัทธากับตัณหาเอาคบใครกันแน่จริงไหมจริงกล้าสมาทานเดวบวษฎเจ้าไหมกล้าเลยล่อโอ้โหน่าเชื่นใจะอะไรเนี่ยศรัทธานี่แหละคบศรัทธา แลชันท่าสถานกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันชันทัชันทก็ตัณหาก็จริงจจะพูดเรื่องนี้ <c oughs> บาลีมาอย่างนี้มาในคำพีปปัญจะสุธนีในปรมธธัติทิปนีก็พูดไว้ว่าคำว่าปัตธนาเนี่ย ปัทนาปอปาถ้าเขียนเป็นบาลีก็มีตอเต่าจุดข้างล่างถอถุงแล้วก็นอนหนูสาอาเขาเรียกปัทนาปัทนาก็าแปลว่าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็แปลว่าความอยากความอยากไอ้ความอยากหรือบางทีก็แปลว่าความปรารถนาที่เป็นตัญหา ภาษาบาลีเขาเรียกตันหาปัตนาก็แปลว่าอยากด้วยตันหาตันหาปัตนานี่ก็เลยอยากด้วยตันหาถ้าความปรารถนาที่เป็นฉันทะเขาเรียกฉันทะปัตนาก็แปลง่ายๆว่าอยากด้วยฉันท ะ, ะความอยากก็เลยมีสองอย่างทีนี้ พอบอกอยากด้วยตัณหาก็อยากด้วยฉั่นทะเนี่ยหลายๆคนก็ไปบอกว่าอยากมันไม่ดีใช่ไหมที่จริงความอยากมีสองอ ย, าย่างและที่เริ่มเข้าใจเลยนะความอยากที่เป็นแรงจูงใจให้มนุษย์ทั้งหลายทําการกระทําต่างๆก็เลยแบ่งเป็นสองประเภทมีแรงจูงใจที่ทําให้มนุษย์เกิดความอยากนเกิดความต้องการเนี่ยความอยากที่ชั่วร้ายก็มีความอยากที่ดีก็มี ความอยากฝ่ายชั่วเรียกว่าตัณหาความอยากฝ่ายดีเรียกว่าฉันทะเริ่มมองเห็นแล้วนะ่นั้นอยากที่ดีก็มีอยากที่ชั่วร้ายก็ก็มีใช่ไหมโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นกลุ่มอยากกลุ่มไหนหลีเกเลี่ยงคาว่าชั่วร้ายออกไปหน่อยบางทีเรามองเฮ้ยจะชั่วร้ายยังไงใช่ไหมไม่น่าจะชั่วร้ายเลยเอความอยากบางอย่างไอความอยากที่ทําให้เราเกิดเป็นสัตว์นรก ความอยากแลเมื่อเราดําเนินไปแล้วทำให้เราเกิดเป็นสัตว์เดชานททำให้เกิดเป็นเปรตอสุรกายความอยากที่ทำให้เราจมอยู่ในวัฏทุกไอความอยากอย่างนี้ถ้าไม่เรียกว่าอยากชั่วอยากอยากที่เป็นฝ่ายชั่วร้ายจะเรียกว่าอยากอะไรแต่ความอยากบางอย่างที่ทำให้พ้นจากอัตภาพจากความเป็นเปรตเป็นสัตย์เดชานอสุรกายสัตสนรกและความอยากที่ทำให้เราไม่จมอยู่ในวัฏทุก ความอยากที่เป็นปัจจัยทําให้เราเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์คือพระทิพานไอ้ความอยากอย่างนี้ถือว่าเป็นความอยากที่ดีไหมเออเนี่ยมนะันมีสองอย่างที่มนุษย์เราจะสับสนกันอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยไอ้ความอยากที่เป็นตัณหากับความอยากที่เป็นฉันทานเนี่ยเราแยกกันไม่ออกพอะแยกกันไม่ออกเราก็เลยบอกว่าตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ ที่จริงชันท่าเนี่ยมันมีที่เรียกใช้แทนอักษรเยอะนะเช่นกาเมฉันท่าอะไรพวกเนี้นะอันนั้นเป็นอกุศรนะฉันท่าเป็นคํากลางๆแต่ในที่นี้พอฉันท่เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของกัตตุกกรรมยตาฉันทะเป็นกุศลฉละันทะเป็นชันท่าที่ปรารถนาจะทําในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นทีนี้ตัณหาฉันท่าเนี่ยคือฉันท่าคือตัณหาฉันท่าที่เป็นตัวตัณหาเป็นฝ่ายชั่วเป็นฝ่ายอกุศรก็มีอันนี้เป็นตัณหานะ เราอาจจะได้เห็นว่าคาว่าการมาฉันท่าก็ดีตันหาฉันท่าก็ดีน่ยสองตัวมันรวมกันสองสองสับนี่รวมกันก็แปลว่าฉันท่าที่เป็นตันหาอันนี้ไม่เอานะไม่นับส่วนฉันท่าอย่างหนึ่งเขาเรียกกัตตุกกรรมยตาฉันท่าก็คือฉันท่าความใคร่เพื่อจะทําความต้องการที่จะทําหรืออยากทําอันนี้เป็นเป็นฝ่ายกลางๆคือใช้ในทางดีก็ได้ชั่วก็ได้แต่มักจะรวมกัน มักจะใช้ในฝ่ายที่ดีนะส่วนถ้าชัดลงไปจริงๆเขาเรียกว่ากุศลและฉันทะกุศลฉันทะฉันทะในกุศ ล, ลธรรมก็คือธรรมะฉันทะที่เป็นกุศลเนี่ยเป็นฝ่ายดีงามเป็นฝ่ายกุศลเขาเรียกกุศลฉันทะรักความรักดีความฝ่ายดีรักธรรมะฝ่ายในธรรมะเนี่ยอันนี้ก็คือตัวตัวกุศลฉันทะเริ่มมองเห็นนี่ยังสองตัวนะระหว่างตัวกุศลกับตัว อกุศลนั้นอยากก็แปลว่าอยากเหมือนกันวันนี้ทีนี้ฉันทาที่เป็นตัวกุศลเนี่ยก็หมายถึงตัวฝ่ายกุศลชื่อเต็มๆตม็เรียกว่ากุศลและฉันทะาธมมะฉันทะก็ได้ทีนี้ถ้าเราเรียกคําเดียวเนี่ยเรียกว่าฉันทะเลยเนี่ยแต่หมายถึงตัวกุศลก็ได้ก็คือกุศลฉันท่านั่นเอง นี่แหละมนุษย์เราก็จะมีสองประการนี่แหละจุดเริ่มต้นเนี่ยที่เป็นแรงจูงใจที่ทําให้มนุษย์เนี่ยเกิดการกระทําก็แบ่งออกเป็นสองประเภทความพอใจความชอบใจความยินดีความอยากรักใคร่ต้องการที่ไม่ดีไม่สบายไม่เกื้อกูลเป็นอกุศลนี่เรียกว่าตัณหาส่วนความพอใจความชอบใจยินดีอยากรักใคร่ต้องการที่ดีงามสบาย เกื้อกูลเป็นกุศลเรียกว่าฉันทะมีสองส่วนนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยระหว่างความพอใจความชอบใจความยินดีความอยากความไข่ความต้องการที่ไม่ดีพอเราอยากต้องการแล้วมันไม่สบายใจไม่เกื้อกูลจิตมันไม่จิตมันไม่สงบจิตมันไม่สุขจิตมันเร่าร้อนจิตมันกวนกวายทั้งหลายความอยากความต้องการอเงี้ยอันนี้เป็นปัญหาบ่อยไหมแบบเนี้ย แต่วความพอใจความชอบใจกินดีอยากรักให้ต้องการที่ดีงามเ อ, อื้อสบายสุขสงบเยือกเย็นอันนี้เป็นกุศลฉันทะหรือเป็นตัวฉันทะแบบนี้เกิดบ่อยไหมน้อยหรือมากแต่ถ้าตัณหาก็แปลง่ายๆว่าความกระหายความทยานความอยากความสเสน่หาแปลได้หลายอย่างนะแปลว่าร่านลนก็ได้ร่านรนกระสับกระสาย กวนก歪ไม่รู้อิ่มนีไม่เจ็บสิ่งใดแล้วมันไม่รู้อิ่มเนี่ยตัณหาคือว่าตามหลักปฏิจจสุบาทตัณหาเกิดจากอะไรตัณหามีอะไรเป็นปัจจัยตัณหามีเวทนาเป็นปัจจัยนั้นเมื่อตัณหามีเวทนาเป็นปัจจัยแล้วเนี่ยตัณหาจึงมีจุดหมายไปที่เออมีเวทนาเป็นเป้าหมายมีเวทนาเป็นจุดหมาย งั้นแต่ความอยากความต้องการของเราเนี่ยมีตัวเวทนาเป็นจุดหมายเมื่อไหร่ปุ๊บนี่รู้เลยอันนี้เป็นตัณหาใช่ไหมเพราะเวทนาก็มีแค่นั่นแหละไอ้ตัวเวทนานี่ยเป็นจุดหมายความรู้สึ ก, กสุขนี่แหละเป็นมีอะไรเป็นมูลรากตัณหามีอะไรเป็นมูลรากแปลว่าอะไรความไม่รู้เป็นมูลรากมันเกิดจากเกิดจากความไม่รู้ มูลรากของเขาคืออวิชาจุดหมายของเขาคือเวทนาอ่ะทีนี้แล้วเอางี้เวลาเราทำงานเนะี่ยเรามีจุดหมายที่ไหนเพื่ออะไรเพราะพอได้เงินมาแล้วเราทำงานเราทำงานเราชอบเงินใช่ไหมเราอยากได้เงินใช่ไหมพอได้เงินล้วมาแล้วเราได้อะไรต่อเราก็ได้ความสุขไง สรุแล้วเรามีอะไรเป็นจุดหมายเรามีเวทนาเป็นจุดหมายไอ้ความอยากความต้องการที่ทำงานของเรานั้นเป็นความอยากเคยตัณหาเพราะเราต้องการเงินคือเมื่อได้เงินแล้วเราคิดว่าจะได้ความสุขใช่งานคือเงินเงินคืองานบรนดาลสุขเราคิดอย่างนี้แล้วจริงๆเป็นอย่างนั้นัหม เ, ออเราทำงานใช่ไหม ฉันทำงานฉันก็ต้องได้เงินเมื่อฉันได้เงินถึงจะมีความสุขเนี่ยฉันจุดหมายของเรานั้นมีเวทนาเป็นจุดหมายความอยากของเรามันจะกลายเป็นตัณหาไอความอยากตัวนี้มันมีอวิชชาคือความไม่รู้เป็นมูลรากเราต้องการสุขคิดว่าได้บ้านแล้วจะมีความสุขได้รถเราจะมีความสุขได้ภรรยาจะมีความสุขได้สามีจะมีความสุขได้ลูกจะมีความสุข ได้เงินเราจะมีความสุขได้เกียรติยศชื่อเสียงจะมีความสุขใช่ไหมได้ไปเที่ยวตรงนู้นเราจะมีความสุขได้ดูหนังฟังเพลงเราจะมีความสุขเนี่ยแสดงให้เห็นชัดว่าความอยากของเราเนี่ยมีเวทนาเป็นจุดหมายแต่ความอยากอย่างนี้เขาเรียกตัณหาเพราะจุดหมายของเราคือเวทนาสุขเวทียตสุขมองเห็นได้ย่างว่าความอยากของเราเป็นอย่างนี้เนาะ ทีนี้ตัญหามันเกิดขึ้นในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งก็เลยรู้ถ้ารู้สึกสุขก็ยินดีชื่นชอบใช่ไหมก็คอยตามติดใจไปรักด้วยอยากได้ด้วยถ้ารู้สึกทุกข์ล่ะยินร้ายไหมขัดใจไหมชังไหมอยากจะเลี่ยงอยากจะหนีไหมอยากให้สูญสิ้นไปไหมถ้ารู้สึกเฉยเฉยเพลินเพนิเรื่อยๆอยเฉยเอาการอย่างนี้มันก็เป็นของมันได้เองโดยไม่ต้องไปใช้ความคิดไม่ต้องไปใช้ความรู้ความเข้าใจอะไรเลยตรงกันข้ามถ้ามีความรู้ความเข้าใจหรือใช้ความคิดแทรกเข้ามาในเวลานั้นเช่น รั่ารูบที่น่าเกลียดนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์หรือรั่วเสียงไพร้ะนั้นเป็นสัญญาณอันตรายหรือเกิดจากทางจริยธรรมหรือวัฒนธรรมประเพณีว่าสิ่งนั้นไม่เหมาะสมกับภาวะหรือฐานะของตนเป็นต้นเนี่ยตัณหาก็จะถูกตัดตอนเลยกระบวนการมันก็จะไม่ไหลต่อเนื่องอย่างเดิมแล้วเวเอาเวทนาตัณหาอุปาทานมันจะไม่ไหลแล้วมันจะถูกตัดตอนนั่นดีอัธรัว่าขับรถไปปุ๊บเนี่ยใช่ไหม ราทีแรกเราคิดว่ามีความสุขแต่คิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุเราจะไปไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไอตัวความอยากทั้งหลายเหล่านี้บางทีตันหามันถูกตัดตอนไปในลักษณะไอย่างงี้นั้นถึงบอกว่าบางครั้งเวลาตันหามันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นสังเกตได้ไม่ยากหรือความอยากความต้องการของเรามันเป็นตันหาหรือไม่เนี่ยจุดหมายของมันไม่มีอะไรเลยต้องการสุขคเวทนาต้องการสุขสมนันนะ แล้วดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าบางครั้งเนี่ยถ้าสุขเวทนาแล้วก็ชอบอยากจะเอาแต่ถ้าทุกเวทนาก็อยากจะเลี่ยงอยากจะหลบถ้าเป็นอุเบกขาเวทนาก็เรื่ อ, ๆอยๆเฉยๆพร้อมที่จะแปลเปลี่ยนต้องการตัดถนานายเป็นสุขเวทนาต่อไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้ในความอยากที่เป็นตัณหาจะเป็นลักษณะแบบนี้เยอะไหมตรงทีเราอยากไปปฏิบททัติธรรมแต่จุดหมายของเราก็คือแล้วอยากได้ความสงบ แค่นั้นแหละแล้วไม่ต้องการอะไรนอะงที่ฉันต้องการไปสวดมนต์ก็ต้องการความสงบไปปฏิบัติธรรมก็ต้องการไปความสงบไอ้ความอยากแบบเนี้ยเป็นอะไรเป็นตัณหาชัดเลยเพราะเราต้องการความสงบต้องการสุขต้องการสภาพจิตที่นิ่งไม่ต้องการวุ่นวายเราอยากได้เวทนาเราอยากได้ความสุขนี้แล้วเราก็คิดว่านี่คือพ้นทุกข์ของเรา ไอ้ตัณหามันคิดได้แค่นี้ยมันมาจากความไม่รู้เป็นมูลรากเมื่อเกิดร่วมกระจายเราปุ๊บมันก็เลยวางเป้าหมายว่าเอาละฉันเครียดกับมานานแล้วเครียดกับพ่อเครียดกับแม่เครียดกับพี่เครียดกับน้องเครียดกับสิ่งแวดล้อมเครียดกับการงานขอไปสงบสุขสักพักสักระยะหนึ่งเดี๋ยวกลับมาสู้ใหม่ไอ้ความคิดแบบนี้เป็นความอยากแบบนี้เป็นเป็นตัณหาเพราะตัณหามีอะไรเป็นจุดหมาย มีสุกเวทนาเป็นจุดหมายและตัณหาถ้าเจอทุกขเวทนามันจะเป็นยังไงมันจะเลี่ยงจะหลบจะอยากพ้นไม่อยากอยู่ตรงนั้นตัณหาจะเป็นอย่างนี้ถ้าเจออุเบกขาเวทนาก็เรื่อยๆเฉยๆเพลินๆงงๆไปมันไม่รู้ไม่คิดอะไรเราปล่อยเพลินๆเพินๆไปงั้นแหละเป็นบ่อยไหมเออเนี่ย สรุปแล้วเนี่ยเรามีตัณหาเป็นเพื่อนจริงๆในความอยากของเราโดยมากมันวนๆอยู่กับตัณหาหมดเวลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยรู้สันทาตอนช่วงบ่ายดีไหม <c oughs> นนี้จริงตัณหา ย, ยังไม่จบเพียงแค่นี้ยังมีเรื่องอีกเยอะ อ๋อบางทีความรู้ความเข้าใจที่มันเกิดขึ้นจากการว่าถึงแม้เป็นสิ่งที่ดีอย่างยกตัวอย่างเช่นว่ามันชอบนะในการดื่มวายอะ่ะมันก็ชอบนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเราเนี่ยอาการเบาหวานมันจะเริ่มแล้วเนี่ยกำเริบแล้วเนี่ยมันตัด้อนกันนะตัดตอนโอ้โหเนี่ยมันก็เลยฝืนใจในการที่ตัดนะบางทีเนเพราะเรารู้ว่าเป็นโทษต่อร่างกาย แต่เนี่ยการตัดตอนบางทีมันตัดตอนด้วยกําลังของกุศลก็มีตัดตอนได้เหตุจําเป็นก็มีถ้ามันตัดตอนได้กําลังของสติสมัมปชัญญะปุ๊บมันจะมีปัญญาเข้ามาวิจัยแยกแยะว่ามันจะเกิดความรู้ถ้าเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาเนี่ยมันจะทําลายความหลงเลยนะาวิชาปัญญาเกิดขึ้นมาจริงๆรปุ๊บเนี่ยมันจะรู้โทษเลยการที่เราเสพของมืนเมาเนี่ยมันมีโทษยังไงเกิดโรคเกิดการทะเลาะวิวาสเสียทรัพย์ถูกตีเตียน แล้วปัญญาเราจะลดน้อยลงลดน้อยลงมันทอนกําลังปัญญาเมื่อปัญญามันไม่เกิดปัญญามันลดน้อยลงโอกาสแทงตลอดอริยสัจจะโอกาสที่บรรลุธรรมมันหมดเลยเนี่ยโอ้โหนี่เราเราเห็นโทษขนาดนั้นนะพอเห็นโทษขนาดนั้นขึ้นมาสติส้องปชัญยัที่มันมาแบบเนี้มันไม่เอาเลยแต่เนี้ยต่อให้ใครมาภารณนาคุณของสุราคุณของวายคุณของเบียร์คุณของเหล้ายัางไงไม่เอาเด็ดขาดเพราะเห็นโทษ เห็นโทษในปัจจุบันด้วยว่าตนเองจะกลายเป็นคนปัญญาอ่อนยังไงสติปัญญาเลอะเลือนอย่างไรตนเองจะเกิดโรคยังไงเสียทรัพย์ยังไงเป็นต้นตลอดถึงมีภัยเบียดเบียนยังไงเกิดการแตกแยกในครอบครัวทำกรรมอย่างอื่นง่ายได้ยังไงเนี่ยมันจะเห็นเป็นไปตามลำดับและที่น่ากลัวที่สุดคือตนเองจะต้องเกิดเป็นคนบ้าเช่นทั้งสารวัตรเนี่ยเกิดคนเป็นคนปัญญาอ่อนเนี่ยและอย่างหนึ่งถ้าหากว่าในปัจจุบันนะพบนี้ถ้าไปตัดรอนปัญญาแล้วโอกาสที่ทั้งตลอดอริยสัจพ้นจาก ว่าแต่ทุกเนี่ยยิ่งยากใหญ่เลยอย่างนี้เป็นต้นเอาเกิดเป็นคนรวยที่สุดกติยศ ด, ดีที่สุดแต่ปัญญาอ่อนโอ้โหหมดเลยหมดสภาพเลยใช่ไหมล่ะหรือถ้าเกิดเป็นอไวยศัตว์ ร, รวยที่สุดอย่างหมีแพนด้าให้รวยที่สุดเลยแต่เป็นได้แค่สัตว์เดรัจฉานอา้าหมีแพนด้ารวยกว่าเราไหมที่อยู่ก็ดีกว่าเราไหม ชื่อเสียงก็ดังกว่าเราไม่มีเพนดานดังก็รวยกว่าเราเนี่ยที่อยู่ก็โอ้โหราคาต้องเป็นร้อยล้านเด้ไปแล้วเอาเอาเราไปเอาเราไปประกาศข้างๆกันเนี่ย <c oughs> เขาจะไปดูใครอ่ะแสดงว่าชื่อเสียงเราสู้เขาไม่ได้อย่างเราดูฟรีมีเพนดานต้องซื้อบัตร เขาก็ไปเนะี่ยดูหมีเคนดาเราร้องไห้อะไรวะ่ะเราก็หน้าตาดีกว่ามีเพนดาอาหารเราก็กินดีกว่าความเป็นอยู่เราก็ดีกว่าเราสามารถสนทนาคุยกับคุณได้ด้วยเขาไม่สนใจเราก็าไปดูมีเพนดาเพราะอะไรกุสนด้านนี้เราสู้ไม่ได้ด้านเกียรติยศชื่อเสียงเราสู้ไม่ได้เขาสร้างมาดีไงแต่ด้านปัญญาเขาต่ําช่ไหมปัญญาเขาต่ำมาก นี่ไงทานกุศลมีกำลังแต่ศีลกุศลไม่มีกำลังเขาก็เป็นได้แค่อบายศัสตร์ทีเราก็แยกไม่ออกใช่ไหมแต่นี้ออกก็ยังมีแมวบางตัวเนะยเจ้าของตายทิ้งเจ้าของทิ้งมรดกไว้ให้ไม่รู้เป็นหลายร้อยล้านนี่แมวนะเออนี่ ขนาดนั้นเลยเนะียเออเราสู้แมวไม่ได้เลยบางทีโ้ขนาดนั้ น, นกำลังทานกุศลก็ดีแต่ศีลกุศลก็ต่ำมั้อิจฉาเขาไหมยินดีกับเขาด้วยไหมยอยากจะเป็นอย่างเขาไหมอ๋อไม่อยากเป็นอยากเป็นมนุษย์ใช่ไหมเป็นแบบนี้เอาไหมเป็นอย่างทุกวันเนี่ยไม่รู้อริยสัย์เหมือนเดิมอะ่ะนั่น เป็นมนุษย์เนี่ยจะถึงเกิดในตระกูลสูงขนาดไหนแต่บอดในเรื่องอริยสัจก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไมล่ะไม่ไม่ฉลาดในอริยสัจเนีย่ยดาเนินชีวิตผิดอยู่ดีเนี่ยสำคัญที่สุดด้วยสัมมาทิฏฐิจึงสําคัญที่สุดจะไม่เป็นยอดเลยเป็นยอดของของของมรรคเลย ส, สัมมาทิฏฐิอุทิศส่วนกุศล